จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองปรากฏขึ้นแล้วนบบัดนี้วันนี้วันพระัสบดีที่25กรกฎาคม2556แรม3คำ่ำเดือน8ปีมะเส็งหน้าเราก็จะว่ากันตามชื่อรายการนี้แหละ คืออาตมาจะพูดไปคนเดียวก่อนแล้วก็จะตอบประเด็นในรายการสงครามสังคมธรรมการเมื่อเรามีตอบประเด็นจากผู้ชมทางบ้านแต่คุยเดโอภาปลาัยกันนะผู้จะส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญส่งมาได้ทางโทรศัพท์สองหมายเลขจํานะหมายเลขที่จะส่งมานี่ไม่ใช่เลขที่อาตมาเพิ่งจะกลับมาจาก คุณจะมาจากสันติอาสอกตอนนี้อาจจะมาอยู่ที่ราชธานีอโสกแล้วประยันเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็คือ0885859117กับ0885859118 อสองหมายเลขออีกทีหนึ่งทวน0885859117หหกนึ่งหนึ่งกับ0885859118หหนึ่งหนึ่งะสองหมายเลขด้วยกันอ้าวทีนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องจริงๆวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะ จะตั้งใจจะอธิบายในพระไตรปิฎกเล่มสิบหกนี่ไล่ไปในปฏิสุบบาทเนี่ยเพราะว่าท่านเรียบเรียงไว้ดีและอาตมาก็ค่อยไล่ไปตามท่านเนี่ยจะดีมากเลยอาตมาก็แม่มันอยากจะอธิบายโน่นนี้มาแทรกอยู่เรื่อยกันเลยคิดว่าเออเราตั้งหลักใหม่ดีกว่ า, าเอาพระไตรปิฎกมาไล่ไปใหม่แล้วก็ค่อยไล่ไปเป็นลําดับลําดับลําดับพยายามที่จะต่อเนื่องให้ได้ ไม่ใช่นันอาตมาก็คงจะเป็นเศรษฐีบรร น, นอกอยู่นี้ตลอดเวลาแหละมีอะไรเยอะแยะควักออกมาเรื่อยมากมายสารพัดปนเปสเพเฮระไปหมดนะแต่ว่าเจ้าใจจะเอาประเดชพิโดเลนสิบหมาไล่ไปตามลำดับจริงๆแต่ท่านประชาเอาเ m s เอ็มเอสมาให้ของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าตอนแรกก็ เห็นว่าโอ้อาตมาก็ตั้งใจจะเพาเาคุณแปดจศูนย์ห้าหน่อยหนึ่งจังใจจะอธิบายเนื้อหาธรรมะไปให้มากหน่อยสามหน้ากระดาษเอซีาวนี้มาคนเดียวน่าไม่วันแมนโชโปรดักชันเลยสามหน้ากระดาษอ่านดูแล้วก็เอออาตมาว่าจะไม่เอามาอ่านในรายการเพราะ มันยาวอ่าแล้วก็มันเป็นเรื่องวนซ้ำซ้ซึ่งมันยกตัวอย่างใหม่มาประกอบนิทานเก่าไม่ใช่นิทานเก่าหรอกเป็นเรื่องเก่าที่เป็นทิฏฐิของคุณแปดเจ็ศูนห้าอย่างเดิมอ่าแล้วก็หาเรื่องที่จะประกอบนิทานเพประกอบความเป็นทิฏฐิของตนเองนะป้ายหลากหลายเหตุนิทานสมุทรไทยปัจจัย อตาตมาก็แม่อดสองสารไม่ได้ก็วนอย่างนี้ก็สงสารก็เลยว่าอ้าแล้วก็เห็นด้วยนะว่าความคิดอย่างคุณแปดเจ็ดศูน้าในวงการาศาสนาพุทธโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยมีอย่างนี้เยอะเยอะมากๆเลยอตาตมาก็เลยว่าอ้าวเอาละยังไงยังไงก็อ่านเพื่อให้ทุกคนได้ยินได้ฟังความคิดเช่นนี้แล้วอาตมาก็จะไม่ตอบยาว จะตอบสั้นๆเพราะอาตมา ก, ก็พูดมามากแล้วแต่คุณแปดเจ็ดศูนห้าก็ฟังไม่ได้ค่อยได้ศัพท์ก็จะมาครเดียบมาแย้งๆๆทั้งๆอาตมาพูดไปทุกอย่างที่คุณแปดเจดศูนห้าพูดมาแต่คุณแปดเจศูนย์ห้าเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้นะมันจับไม่ติดหรือมันยังยึดของตนเองอ่ะเพราะงั้นของคนอื่นก็เลยหล่นหลุดทั้งๆที่อาตมา ก, ก็แสดงออกบอกแจ้ง อะไรอะไรก็ทุกอย่างแล้วนะอ่ะลองตั้งใจฟังดูนะอาจะมาจะอ่านไปเรื่อยสามหน้ากระดาษนะผากเพียนมาก็อ้ะดีแล้วละ่ะอผากเพียนก็ผากเพียนเห็นใจอ่สามหน้ากระดาษนี่ใช้ความภาษาหาไม่ใช่น้อย <c oughs> อ่ะเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนด้วยตาเปล่า เราย่อมเห็นแค่ดาวระยิบระยับเท่านั้นแต่หากเรามองโดยผ่านกล้องโทรทัศน์ที่ติดอยู่กับดาวเทียมที่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วจะเหมือนว่าเป็นหนังคนละเรื่องเลยทีเดียวเพราะเราสามารถที่จะเห็นเป็นแสนเป็นล้านกาแล็กซี่ได้ซึ่งแต่ละกาแล็กซี่ก็ยังประกอบเป็นได้ดาว เรือที่เช่เชนเดียวกับดวงอาทิตย์ของเรานับแสนล้านดวงและดาวเคราะห์บริวารยังอีกนับไม่ถ้วนซึ่งทั้งหมดที่เห็นได้นี้ถือว่าเป็นเพียงสสารเป็นสสารนะคุณนี่พูดเองเป็นสสารก็ถูกแล้วเป็นสสารที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์อ คนไม่ตาบอดเห็นได้ทุกคนแล้วถ้าเพิ่มว่าสองกล้องที่มันขยายเห็นนะที่คาดว่าจะมีเพียง 4% เปอร์เซเท่านั้นเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ประมวลแล้วว่ายังมีเทหวัตถุอื่นๆอีกเช่นหลุมดำเป็นต้นหรือคือยังมีสสารอื่นๆที่ตาของมนุษย์นั้นไม่มีศักยภาพที่จะไปแลเห็นมันได้นะผลลั ย่อมจะแตกต่างกันไกลลิบลับชั้นใด น, นี่ขึ้นต้นขออธิบายไว้นิดหนึ่งก่อนว่าคุณแปดจศูนห้าในเจตนาจะยกตัวอย่างมาเทียบเป็นอุปมาอุปไมยให้เห็นว่าความรึกซึ่งเรื่องความไม่รู้ของคนที่ยังไม่สามารถรู้นี่มันมีแต่คนที่เขาสามารถรู้นะ่ะมันคือเป็นเรื่องพิเศษมีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีเขา นี่คือความหมายของคุณแปจเจสูน่าตั้งใจจะพูดนะผลลัพธ์ย่อมจะแตกต่างกันไกลลิบลับชั้นใดนะคือสายตาปล่ามองไม่เห็นดวงดาวดวงอะไรแต่ใดในกาเล็กซี่ต่างๆที่มากมายเนี่ยนะในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะศักยภาพในการรู้แจ้งรูปด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้ามันเลเปิดได้ไดแกตาหูจมูกลิ้นกายมันเลยปิด กับศักยภาพในการรู้แจ้งรูปด้วยจิตวิญญาณเ่าเปิดหรือสัมผัสที่หนั้ น, นฟังคําว่าสัมผัสที่6ไว้อัตมาจะสรุปตอนท้ายว่าคืออะไรด้วยรู้แจ้งรูปด้วยจิตวิญญาณหรือสัมผัสที่6นั้นผลลัพธ์ย่อมจะแตกต่างกันไกลลิบลับฉะนั้นฉันนั้ น, นพรังงานผู้ที่สามารถมีสัมผัสที่หกพลั้งานจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่ง นะผู้ที่มีสัมผัสที่หกนี่แหละจะสามารถเห็นเหมือนกับกล้องโทรทัศน์ที่ไปส่องนอกโลกในอวกาศนะั่นนะ่าจะเห็นทันนั้นแหละเช่นกันเนะเพราะงั้นคนะวามหมายของคุณแปดจิสุนซึ่งจิตวิญญาณของคนทั่ ว, วไปนั้นนะจิตวิญญาณของคนทั่ ว, วไปนั้นนะส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะจิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพจริงๆของมันเหตุเพราะว่ามักจะหมกมุ่นอยู่แต่กับกามาคุณห้าจึงไปพัฒนาแต่ประสาทสัมผัสที่สัมผัสหเท่านั้นนะจึงไปหมกมุ่นอยู่กับสัมผัสหคือตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแต่สัมผัสที่หกนะสัมผัสที่หหรือจิตวิญญาณนั้นจึงถูกปล่อยปละละเลยไม่สนใจจะพัฒนานะไม่สนใจจะพัฒนา นะซึ่งถ้าทิ้งไว้นานความรับรู้ทางจิตวิญญาณก็อาจจะอ่อจนถึกกับด้านก็เป็นไดนะ้แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่มีคนอีกจำนวนมิช่น้อยที่ยืนยันว่าตนเองก็เคยมีประสบการณ์เห็นสัตว์อปปปาติกะนี้มาแล้วเช่นกันนะเห็นสัตว์อุปปาติกะฟังความว่าเห็นสัตว์อปปปาติกะไว้ก่อนเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายทีหลังนะ เห็นสัตว์โอปปาติกะนี้เช่นนี้มามาแล้วเช่นกันเช่นเห็นสัมภเวสีเปรตหรือเทวดาได้เพราะฉะนั้นความเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นเทวดาคุณแต่เจะดศูนหาว่าภูมีสัพพติหสามารถที่จะเห็นอาตมาไม่เถียงเราเพราะว่าอาตมาก็มีสัพพติห อาตมาก็เห็นชัดเห็นเจนเห็นจริงและเห็นสัมภเวสีจนกระทั่งได้ทําสัมภเวสีเปรตเทวดาของอาตมาเนี่ยดับสิ้นหมดแล้วแต่ก่อนนี่มันก็เป็นสัมภเวสีเป็นเปรเป็นเทวดาก็รู้และอาตมาก็มาเห็นของตนเองด้วยอาตมาไม่อุตรติไปเห็นของข้างนอกของคนอื umas, ่นไม่อาตมาอยู่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คุณแปดเจุน่ก็ยังจะไปเห็นของคนนั้นคนนี้และเกะระกะ หล่อนรงรอยอยู่อะไรแต่ใแทนที่จะมาเห็นความเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นเทวดาของตนเองก็ยังไม่ทํานี่ก็นางของศาล น, นี่ก็พูดอธิบายไปพลางนัเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ไม่เคยมีประสบะแต่บอกว่ายัางดีที่มีเคยมีประสบการณ์ของคนที่เห็นสัตว์อุปปาติกะนี่มาแล้วเช่นกันเช่นเห็นสัมภเวสีเปรตหรือเทวดาได้ ซึ่มักจะเป็นช่วงเวลาที่ยังจิตว่างๆอยู่เห็นจิตเห็นเต้นตอนจิตว่างๆนะยังไม่ได้คิดไม่ได้นึกหรือม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะเห็นเอาไอตอนที่มันบังเอิญเห็นนะเห็นตอนจิตว่างๆเรียกว่าจิตที่ไม่คิดไม่นึกอะไรมันก็เลยแม่กิดเห็นได้เช่นเวลาที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็นต้นโอ้อาตมาขอบตอบตรงนี้ก่อนอว่าอาตมาเห็นสัมประเวสีเปรตเทวด า, านี้ด้วยสติเต็มเป็นอธิปเตยเลย เป็นปฏิปเตยเลยจึงเห็นสัตว์เทวดาเปรตพวกนี้สัมภเวสีพวกนี้อย่างของจริงไม่ใช่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างคุณแปดเจ็ศห้าศึกษาแล้วก็เรียนไปนเห็นเปรตเทวดายังคนครึ่งหลับครึ่งตื่นมันคนละทฤษฎีนะคนละแบบนะพอฟังเอาเช่นเวลาที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็นต้นซึ่งคนที่เห็นสัตว์รูปปติก า, านี้ส่วนมากมักจะเห็นในขณะที่กําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นนี้มากที่สุดอ่า ก็ขอบอกอีกนิดนึงว่าเครื่องหลับครื่งตื่นนั่นแหละคือโอปปปาติคือมโนมยอัตตาที่เป็นอุปทานที่เป็นเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่อุปปัฏกะที่ว่านีน่หนึ่งเป็นอุปทานที่เป็นของไม่จริงแล้วก็มันก็เกิดขึ้นได้อุปทา น, นสองอาจจะเห็นจริง อ, อาจจะเห็นจริงเระเผยไปเยไป แต่เป็นการเห็นที่ไม่ใช่วิปัสนาญาณไม่ใช่สัพพตที่หกสัพพตที่หกนั่นคือวิปัสนาญาณนะวิปัสนาญาขอบอกไว้ตรงนี้ผู้มีวิปัสนาญาณเริ่มมีวิปัสนาญาณก็เริ่มเห็นรูปเห็นนามเป็นวิปัสนาญาณนั่นเดียกว่าสัมพัตที่หกนะเดี๋ยวค่อยขยายความต่อนะเอาแค่นี้ก่อนแต่คนนี้เป็นขอพิเศษนะสัพพตที่หของคนนี้เป็นเรื่องของแม็กซิเชียน เป็นพวกเป็นแมจิคอลเป็นเรื่องของความลึกลับความเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ไม่เป็นวิยทาาออาา ย, วยาศาสตร์ทางจิตทาอัตมานั้นอธิบายได้นะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นไม่ใช่เรื่องแมจิกอะไรพวกนี้นะที่ อ, อัตมาพูดมาหมดแล้วแหละอธิบายมาหมดแล้วแต่ก็ทวนๆ น, นะเราจะเห็นในขณะที่กําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่มากที่สุดอธิบายว่า เพราะในขณะนั้นจิตยังไม่ทันที่จะได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรไปตามความเคยชินอันเกี่ยวกับกามคุณห้าจริงอันนี้ก็ปวดทุกข์ในจิตมันยังไม่อะไรมันมว่างๆอยู่มันก็เลยมีผีมาหลอกพวกนี้ซึ่งติดอยู่กับประสาสัมผัสทั้งห้าเลยอ่าฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สัมผัสที่หกคือจิตวิญญาณนั้นถึงจะสามารถแสดงออกซึ่งประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมันได้เช่นที่สามารถไปเห็นสัตว์โอปปปาติกะได้นั่นไง แต่เนื่องจากว่าคนที่เห็นสัตร์อภิปภาติกะนั้นไม่ค่อยจะรู้จักศัพท์บัญญัติของพุทธเจ้ า, น, านี่คื อ, อความหลงของคุณแปดเจ็ศูนห้าหลงศัพท์บัญญัติของพระพุทธเจ้ากัของคุณแปดเจ็ดศูนยห้าเองนั่นแหละไปล้นติดกันในภาษาบัญญัติที่สลับกันกันกบความเป็นจริงสลับเสมอเลยกับอาตม า, า เ, ดเดี๋ยวค่อยอธิบายารู้จักศัพท์บัญญัติของพุทธเจ้าจึงมักจะพูดผิดๆนั่นแหละ ถ้าอาตมาพูดอย่างนี้คุณแปดเจ็ดศูนย์หน้าเขาพูดอย่างนี้มันก็เลยสลับกันผิดพอเห็นเขาอาตมาเขาบอกผิดเขาตนเองถูกพออาตมาบอกเขาอาตมาถูกคุณ น, นก็เห็นว่าผิดมันสลับกันจึงมักจะพูดผิดผิดไปตามภาษาแบบชาวกระเรียงบ้านป่าว่าเห็นผีเห็นวิญญาณคําว่าผีกับวิญญาณกับคาว่าเปรตคาว่านิริยะสัตว์นิริยะพอดีอะไรพอดีไปติดอยู่ที่ภาษาว่าอันนี้เป็นของ ภาษาแบบกะเหลี่ยงแบบป้านป่าแบบนั้นภาษาคำว่าสัตว์นรกเปรตศึกษานัติภาษาวิชาการปิยวิสปิติวิสัยหรือนิยกกอะไรพวกนี้น่ถ้าอย่างงั้นเป็นภาษาแท้ถ้าภาษาผีวิญญาณอะไรพวกนี้เป็นภาษาเทียมไม่ใช่ภาษาแท้นี่แหละ ติดแต่เป็นอัตวาทุปาฐานได้แต่ภาษาบัญญัติสภาวะเนื้อแท้ผีหรือวิญญาณ น, นั้นจริงๆเลยคือเปลตคือสัตว์นรกคือเดริชานแท้ๆเลยผีวิญญาณสภาวะสัจธรรมเป็นสัตว์นรกจริงๆเรียกภาษาไทยว่าผีว่าวิญญาณแบบนั้นก็ตามแต่คุณนี่ไปติดพยัญชนะอยู่แค่พยัญชนะว่าเออพวกนี้มันไม่กระจายหรอกสัตว์นรกมมันต้องเห็นเป็นแบบคนชั้นสูงเรียก ทีนรกนี่ก็มาเรียกไปตามภาษาคนป่าคนเถื่อนทีสตปิญญาณอะไรตรงนี้เพราะแท้จริงแล้ววิญญาณเป็นอสรีรังนั่นเลี่ยกไปติดปฏิยพยันชนะว่าแท้ที่จริงแล้ววิญญาณเป็นอสรีรังคือวิญญาณนี้ไม่มีร่างไม่มีรูปที่อาจเห็นด้วยตาได้ในวงเล็บหรือจักขุวิญญาณนี่แหละอา จ, จะมาเห็นแปดคุณแปเจ็ดศนย์ห้าจบเหตรงเนี้คุณแปเจ็ดศนย์ ขออภัยพูดวาแล้งไปจบเหตุคือคุณะจะไม่มีปัญญาที่จะมีจักขุวิญญาณที่สามารถเห็นวิญญาณที่เป็นอสริรังนี่แหละนะเพราะคุณพูดเองว่าแท้จริงแล้ววิญญาณเป็นอสรีรังที่ไม่อาจเห็นได้โดยตาได้นี่แหละคือจักขุวิญญาณขออภัยขออธิบายนิดหนึ่งตรงนี้มันจาเป็นตากระทบรูป นี่กระทบฟักทองหมักอื้นิมนาโหเต็มเลยข้างหน้านี่สีแดงๆเม็ดมองกลมรีๆเนี่ยสัมผัสแล้วเราก็เกิดจักขูวิญญาณแล้วเราก็อ่านจักขูวิญญาณที่มันปัศรีรังนี่แหละเราก็วิญญาณนั้นเมื่อเราเห็นวิญญาณในวิญญาณนั้นมันจะมีเจตสิกหมดเจตสิกสามคือเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้น เราก็มองจิตในจิตหรือวิญญาณในวิญญาณออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วเราก็พิจารณาวิจัยวิเคราะห์มีตกปิจารณเวทนาในเวทนาวิญญาณในวิญญาณหรือจิตในจิตต่อไปอ yes um, ีกจนกระทั่งเห็นธรรมในธรรมเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเพราะจิตวิญญาณในเวทนาที่เป็นตัณหามันก็เป็นอกุศลธรรมเราก็กําจัดตัวนั้นอย่างนี้เป็นต้น นี่คือเกิดจากจักขุวิญญาณแล้วก็เห็นวิญญาณในวิญญาณหรือจิตในจิตวิญญาณหรือจิตนี่เกิดอันเดียวกันเห็นวิญญาณในวิญญาณหรือเห็นจิตในจิตในขณะเป็นเป็นนี่เลยในขณะที่สัมผัสเป็นปัจจัยอยู่หลัดหลัดนี่เลยเห็นแต่ของคุณนี่ไม่สามารถเห็นไม่อาจเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นคุณนี่จะหลับตาเห็นจักขุวิญญาณไม่มี ฟังให้ดีนะจากขุมวิญญาณของคุณนี่มัมีโสตวิญญาณขานาวิญญาณปิดหมดอยู่ข้างในหมดนะไปเอาแต่บอกว่าและไปเข้าใจว่าสัมผัสนะั้นเป็นสัมผัสที่หเข้าใจแต่ฤทธิดเดชของจิตฤทธิดเดชของสัมผัสที่6คือญานพิเศษนี่แหละจะเห็นหมดทุกอย่างเลยเห็นแม้กระทั่งกาแล็กซีทว่า น, นอกเลยหมดสัตสัมภเวสีเปรตบดปล่อนร่อนรอ น, ร อ, น, ร อ, น, ร อ, นอยู่นนะ่เห็นหมด ไปอย่างนั้นเลย น, นี่แหละคือของแห้ง <c ười> คืออุปท า, านซึ่งสามารถที่จะกำหนดหมายปั่นมารูปสำเร็จด้วยจิตเป็นมโนมยอัตาอย่างไรได้หมดมันไม่มีเหตุจะใจยืนยันเลยว่านีขณะนี้ตากระทบหมักเอื้อนี่ฟักทองแล้วก็โอ้โหจิตมันก็เกิดแล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดอาด อ, า อ, าอาธิบายเร็วๆสรุปเลย โอ้โหน่ากินจังเลยอยากได้กิเลสตหาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็อ่านพวกนี้จิตในจิตเวทนาในเวทนาพวกนี้ไปจับตัวกิเลสที่ซ่อนอยู่ในกายใ น, กา ย, ในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรู้ตัวจริงมันได้นี่คือของจริงที่เกิดจากขบวิญญาณแล้วก็มีวิปัสสนาญาณสัมผัสที่6ตาหูจมูกทิ้นกายนั่นห้าแล้วก็ญาณคือจิตวิญญาณที่เป็นจักขรวิญญาณโสตวิญญาณนี่แหละ คือสัมผัสที่หที่มีประสิทธิภาพถึงขั้นวิปัสนาญาณเป็นวิชาแท้ของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งนแต่คุณนี่ตัดทิ้งหมดเลยสัมผัสที่หก็คือเมจิคอลนะซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนึกภาบไปเลยมีริ์วินเดทโอ้โหเห็นอะไรตั้แต่หมดเลยน่าแม่นาองศาลมันไม่รู้จะว่าไงก็เอา้า ความเห็นอย่างนี้ก็เป็นความเห็นทีอ่อาตมาก็ขออธิบายความจริงนะอย่าหาว่าว่าเลยอาตมา ก, ก, มาากําลังแยกแยะเห็นว่านี่เป็นความเป็นของคุณแปดเจดสุนาแต่ความเป็นของอาตมานั้นอย่างนั้นน่ะอาตมาขอบอกตอนนี้ก่อนยังไม่ถึงเวลาจะบอกเราที่จริงเพราะยังไม่ถึงตอนนั้นอาตมาไม่เห็นไปแล้วว่าจะพูดตอนนั้นแต่พูดตอนนี้ก่อนก็ได้ไอ้อย่างที่คุณแปดเจ็ดสุหน้าเห็นนั่นอาตมาเล่นมาตั้งแปดปีตั้งแต่เป็นคารวาสก็พูดไปหมดแล้วแต่คุณ แปดจะสุนยาก็ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดเท้าว่าอาตมาไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีโทอัตมานันนิพิทาแล้วเบื่อนายมากแล้วเลิกมาแล้วฮารายามิมาแล้วจิกุชามิมาแล้วอัตยามิมาแล้วอาตมาเบื่อามาหมดแล้วอาตมาทิ้งหมดแล้วจ้ะแปดเจ็ดศูนเลยอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงก็พูดไปเหมือนกับไปพูดขม่ม ไปพูดยกตนขม่มคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็ขอไปไม่ได้เจตนาขม่มหรอกไม่อยากพูดเท่าไรพูดแล้วเหมือนข่มอย่างที่ว่าแล้วมันก็อย่างงี้จะเกิดรู้สึกก็ต้องขออภายัยก็รู้สึกว่าตมาพูดขม่มนะ่าพู ด, ดถูกดูแคลนคุณก็ต้องขอาภาอภัยอ้าอธิบาย อ, าอ่านต่ อ, อ, อต่อมาก็บอกว่า เช่นเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นเป็นต้นซึ่งคนที่เห็นสาสตร์โรบลติกานี้ส่วนมากมักจะเห็นในขณะกําลังครึ่งหลับครึ่งตื่น mm hmm. มากที่สุดอธิบายว่าเพราะขณะนั้นจิตไม่ทันจะได้คิดนึกเปลง่งปรุงแต่งอะไรไปตามเคยชินอันเกี่ยวกับกามคุณหาซึ่งติดกับประสาทสัมผัสที่ห้าเลยฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสัมผัสที่หคือจิตวิญญาณ น, นั้นถึงจะสามารถแสดงออกซึ่งประสิทธิภาพในการรับรู้ของมันได้เช่น mm hmm. ที่สามารถ ไปเห็นสัตว์โอปปปาติกะได้นั่นไงแต่เนื่องจากว่าคนที่เห็นสัตว์โอปปปาติกะนั้นไม่ค่อยจะรู้สัพท์บัญญัติของพระพุทธเจ้าของพุทธเจ้าจึงมักจะพูดผิดๆไปตามภาษาแบบชาวเกรียงบ้านป่าว่าเห็นผีเห็นวิญญาณเพราะแท้จริงแล้ววิญญาณเป็นอสสริรังที่ไม่อาจเห็นได้เห็นด้วยตาได้นั่นเรียบรู้จักคู่วิญญาณหรือแม้ด้วยจิตวิญญาณเองก็ไม่อาจจะเห็นวิญญาณได้เช่นกันเนี่ยจิตวิญญาณเองก็ไม่สามารถเห็นจิตวิญญาณ เห็นจิตเห็นวิญญาณได้ด้วยเช่นกันนี่แหละปิดประตูรู้เลยจิตวิญญาณที่เป็นปัญญาที่แท้เป็นญาณแท้เป็น น, ป น, ป น, นิพพานญาณเป็นวิชานี่แหละเรื่องวัสัปัตติหกแท้ที่จะเห็นจิตวิญญาณอที่จะเห็นวิญญาณที่พูดถึงนี้ได้แต่คุณนี่ก็ใช้ภาษาพูดมาชัดเจนธรรมาก็ชัดเจนแล้วคุณนี่มีแต่ภาษาไม่มีสภาวะฉะนั้นเพื่อให้ถูกต้องตรงกับสัพ บ, บัญญัติของพุทธเจ้าแล้วจึงควรพูดว่า เห็นรูปกายของสตัตว์อปปปาติกะหรือถ้ารู้ประเภทของสัตว์โอปปปาติกะที่เห็นก็พูดไปเลยถ้าเห็นรูปเห็นโอปปปาติกะที่เห็นนี่เห็นรูปกายนะเห็นรูปกายนะซึ่งอาตมาก็ยังเชื่อมั่นว่าคําว่ากายนี่คุณแปดจจสุนาากับอาตมานี่ก็คงเข้าใจความจริงของคําว่ากายนี่ต่างกันกายของคุณแปดเจสุนาากับกายของอาตมานี่ อาตมาว่าคุณแต่จะสุน่าอาตมามีสัญญากันคนลยอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นกายของคุณแต่จะสุนกับกายของอาตมานี่เห็นคนละอย่างแน่ตามที่ในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดกับสัตว์วาต้เก้าคนหนึ่งเห็นต่างกันคนละเรื่องแน่เลยกายต่างกันสัญญาต่างกันแน่นอนอัญญาก็ต่างกันเห็นกายก็ต่างกันแน่นอน แต่จะมารู้ว่าต่างอย่างไรหรือถ้ารู้ประเภทสัตว์รูประตปะกปติกิริที่เห็นก็พูดไปเลยว่าเห็นสัมพเวสีหรือเห็นเปรตหรือเห็นเทวดาไปเลยแต่อย่าพูดว่าเห็นวิญญาณเด็ดขาดซสงวนคําว่าวิญญาณไปเลยนะอย่าเห็นวิญญาณเด็ดขาดเพราะว่าวิญญาณไม่ใช่สัมภเวสีวิญญาณไม่ใช่เปรตวิญญาณไม่ใช่เทวดานนี่เลยนะน่าสงสารมากเลยไปติดอยู่ที่บัญญัติภาษาเท่านั้นจึงอัตวาตุปาทานแท้ร้อเเลย วิญญาณที่ว่านี่แหละที่เห็นนี่แหละเห็นเป็นเทวดาหรือเห็นเป็นเปรตหรือเห็นเป็นสัพเวสีผู้ที่มีญาณวิญญาเห็นจะรู้เลยว่าอยู่ในภาวะสัพเวสีอยู่ในภาวะเปรตอย่างไรก็รู้เลยว่าในลักษณะเปรตนี่อ๋ลักษณะนี้คือความเป็นอินทรีย์หรือความเป็นนั่นแหละความเป็นอินทรีของของของสัตว์นั้น เป็นอินทรีย์อย่างนั้นอย่างนี้แรงหยาบลางเบาเป็นความหยาบโอราดิกะหรือลาหุตาก็แล้วแต่นี่เป็นต้นจะรู้จักขนาดความใหญ่ความหนักความเบาของความเป็นเปรตใหญ่เปรหยาบหรือว่าเปดนิดๆเปรตน้อยๆไม่เปรตแรงเทวดาเทวดารถเถอะดีไม่ดีเป็นเทพบุตรมารด้วยหรือเป็นว่าเทวดาสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาอุปติเทพ ก็ต้องรู้จักวิญญาณพวกนี้แต่คุณนี่ติดตะวิดภาษาวิญญาณนะเทวดาเปรตสัพเพศีนั้นไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณนั้นเฉพาะที่จะสงวนไว้สําหรับอ่าที่จะเหมือนพระอภิธรรมว่านะว่าอริรังกนดีอะไรดีเถ้าพิบุตรจัดไปหมดเนี่ยสงวนไว้เลยว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นแต่ไอที่ไม่พูดนี้ไม่ใช่ของพระเจ้าที่ว่าไว้ ก็เลยไปศึกษาแต่อัที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่พูะเจ้าพูดนว่าวิญญาณอสเตรรังหรือว่าวิญญาณเห็นได้โดยนิพพัสธิญาณเข้าใจไม่ได้นะแต่ไปเข้าใจตาสัมผัสที่หกไปเห็นไอ้สิ่งที่มันแมจิคอลที่มันลึกลับที่มันเป็นของจริงหรือของเท็จยังไม่รู้เลยปั่นเองหรือว่าเป็นเห็นของจริงก็ไม่รู้นะ เพราะเดี๋ยวโคธิรักษ์จะยกพรัตตพิดกเอามาเถียงได้นะบอกว่าจะไปพูดว่าเห็นวิญญาณเด็ดขาดเดี๋ยวโพธิรักษ์จะยกพัตตพิฎกเอามาเถียงได้ซึ่งตัวอย่างก็มีนะยกตัวอย่างเลยนะเช่นนะครั้งหนึ่งขณะที่โมกคลานะขณะที่พระโมคคลานะกำลังเดินตามพระพุทธเจ้าอยู่และไปเห็นเปรตตนหนึ่งเข้าพอดีจึงทูลกับพระองค์ว่าเห็นเปรตรอยอยู่ข้างหน้าพระจกค่ะ พระเจ้าจึงตัดต่อว่าเราก็เห็นเปรตนี้เช่นเดียวกันอาตมาก็อ่านสูตรนี้นะมีไฟพุ่งขึ้นจากข้างหลังด้วยเป็นเหมือนพญานาคเปิดเหมือนงูใหญ่และตัดต่ออีกว่าเพราะสมัยที่เปรตตนนี้ยังเป็นคนอยู่ได้กระทําผิดศีลด้วยความโลภตายแล้วจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตลอยอยู่ที่นี่ซึ่งจากเรื่องจริงในพระเถรปดกนี้จึงอยากรู้นักว่า แล้วโพธิรักยังจะเถียงได้ยังไงอีกอาาตกลงก็ไม่เถียงหรอกแต่ขอบอกความจริงเท่านั้นว่าในเรื่องของมนโนมยอัตตานั้นผู้ที่เป็นอมตะบุคคลแล้วผู้ที่มีวาสนาหรือผู้ที่มีสภาพที่ทำทำเทียบว่าทำทำจิตเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยจิตหรือรูปที่สําเร็จด้วยจิตได้เก่ง ผู้นั้นก็สามารถเห็นหรือสามารถเป็นวาสนาอย่างมมคลานนี่ติดมากเป็นวาสนาเพราะทํามาเยอะมีเล่นทางเห็นรูปเห็นร่างเห็นตัวเห็นตนเป็นนิมิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนของจิตปัญญาโมของนี้มามากแต่ถ้ามีสมาธิิฐิแล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งแทนสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวจริงสิ่งนั้นแม้จะปั้นเป็นรูป ยิ่งเหมือนพระพุทธเจ้าว่าพุทธรูปนี่อย่างนี้เป็นต้นกับสิ่งแทนที่ปั้นเป็นมหาพุทธรูปแต่เราไม่ได้ยึดถือที่มหาพุทธรูปวันนี้แม้จะเป็นทองคําแม้จะเป็นหยกก็ไม่ได้ยึดถือตรงนี้เรายึด ถ, ถือถึงลึกเข้าไปถึงตัวคุณธร ร, รมนามธรรมที่เป็นของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นตน้นแต่ใครไปติดอยู่ที่แงะๆอยู่พวกนั้นมันก็ติดแงะๆอยู่พวกนั้นร่างพระโมคคัลลาท่านจะไปติดอะไรล่ะแม้แต่อตมานี่ไมัต้องถึงพระโมคคัลลาอตมาก็ไม่ได้ติดแล้วเรื่องเหล่านี้แต่อตมา ไม่อยากพูดหรอก็ว่าอาตมาสามารถเห็นได้นะสามารถที่จะให้ตาเห็นโอปปาทิกะตรงนี้อาตมาก็เห็นได้ไม่เห็นไม่รับปิดนะปิดปิดจิตที่จะจะรับอาตมาก็ทําได้นะท้งนี้ก็เป็นเพราะโพธิรักไปได้ยินมาว่าหากมนุษย์ผู้ใดมากไปได้วยความโลภแล้วประพฤติทุจริตอยู่เป็นประจําเพราะในความโลภนั้น ก็จะเรียกผู้นั้นว่ามนุษสเปโต์เอาคำว่ามนุษสเปโตเป็นภาษาคือจำภาษาได้เยอะเหมือนกันแล้วก็มีภาษาศึกษามามากก็เอาภาษาม า, มาใช้ก็จะเรียกผู้นั้นว่ามนุษสเปโตแล้วโพธิรักษก็เลยทึกทักเหมาวรวมว่ามนุษสเปโตนี้คือสัตว์โอปปาติกะที่ถือกำเนิดขึน้นเป็นเปลดแล้วไงอาตมาก็ขอยืนยันว่าใช่ แต่คุณนั้นยังจะติดภาษามนุษยเปโตนั้นอย่างหนึ่งสัตว์โอปปาติกานั้นอย่างหนึ่งนะอาจจะมาว่าอันเดียวกันแต่คุณเข้าใจไม่ได้คุณก็ยึดของคุณว่ามนุษสเปโตนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมนุษสเปโตไปเรียกคนที่อะไรที่จริงก็บอกดูเหมือนกันนะฮะมนุษย์ผู้ใดมีความโลภและประพฤติทุจริตอยู่คนนั้นเป็นมนุษย์เปโตหมายความคนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตของเขาเป็นเปรต ซึ่งก็ถูกต้องศิลป์พูดถึงจิตเป็นเปลือร่างกายมนุษย์อาตมาก็แยกให้ฟังแล้วเราไม่ได้ไปศึกษาร่างกายเราศึกษาจิตปัญญาณที่เป็นเปโตเพราะงั้นมนุษย์คนที่เป็นเปโตยกตัวอย่างมามากมายแม้แต่ครุกรูปเขียนที่บอกว่าคนที่ใส่เสื้อนอกหัวเป็นม้าเป็นควายเป็นหมาเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นเราสัมผัสปั๊บเราก็เห็นแล้วว่ารูปเป็นมนุษย์แต่มนุษย์แบบนี้จิตวิญญาณเขาหมาอย่างศิลปินเขาเขียนว่าหัวเป็นสัตว์มันเป็น เปรตเป็นเดรัจฉานนั่นแหละนั่นแหละมวยอมายที่จิตวิญญาณนั้นถ้าใครยังไปติดอยู่ที่แค่รูปเขติดอยู่เนี่ยเหมือนกับอย่างคุณคนนี้คุณแปดจัสุนเนี่ยก็เลยไม่ไปถึงไหนสักทีนึ่งโดยอ้างว่าเป็นสัตว์ในะเรียองใดๆด้วยว่าจัดต้องเป็นที่จิตวิญญาณเท่านั้นนะไม่ไม่ไ ม, ไม่เอาข้าอัตมานะว่าเป็นจิตที่เป็นจิตบอกว่าเป็นมนุษย์สเปโตก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตอะไรก็ดีมันอยู่ที่จิตวิญ ญ, ญาณเท่านั้น นะมันไม่ใช่ที่จะไปเอาที่เป็นรูปธรรมน่นซึ่งบ่งตรงตรงนะใช้สแสดงกตรตมาสุดเลยนะซึ่งบ่งตรงๆเลยว่าโพธิรักสรุปง่าเกินไปเพราะคำว่ามนุษสเปตโตนี้พุทธเจ้ามิได้ประสงค์จะให้หมายถึงสัตว์ที่ถือกำเนิดขึ้นมามีนามมีรูปเป็นเปรตจริงๆโดยเป็นขึ้นมาเองเปรตนี้เป็นคเองนะไม่ต้องอาศัยพ่อและแม่ ที่เรียกสัตว์โอปปปาติกะนองเรียกเปรดนั้นเลยไม่พูดแล้วจริงๆอาตมาก็นาเวทนาคุณแปดจัตุนาคือคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องความเป็นสัตว์โอปปปาติกะเลยไม่มีสมาธิในความเป็นสัตว์โอปปปาติกะเพราะฉะนั้นคุณไม่เข้าใจสมาธิสิกเลยคําว่าแม่คําว่าพ่อ คุณก็ไม่เข้าใจว่าแม่กับพ่อนี่แหละทําให้เกิดสัตว์โอปปาติกะทางจิตวิญญาณเพราะแม่กับพ่อนี่เป็นทางจิตวิญญาณมีแม่มีพ่อแต่แม่พ่อทางจิตวิญญาณนี้นะ่ะมันไม่เหมือนมนุษย์มีร่างกายหรือสัตว์ที่มีดินน้ำไฟลมศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อแล้วก็ทําให้เกิดสัตว์โอปปาติกะขึ้นมาเป็นอุปติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้ นสมาธิหรือวิชาธิธิสิบนะข้อเจ9ดนะพูดมานี่แน่นแน่นอนว่าคุณแปดเจศูนย์หเข้าใจความเป็นแม่ความเป็นพ่อที่สามารถรู้ว่าแม่พ่อนี้มีผลแม่มีผลพ่อมีผลนะอัตติทินังนัตติเออัติมาตาอนัตติปิตาอัติปิตา นัตติปิตาหรือว่าอธิหรือนัตตินี่มาตาและอธินัตติปิตาเนี่ยความเป็นแม่เป็นพ่อนี่ประสิทธิภาพของศีลก็ดีประสิทธิภาพของปัญญาก็ดีสามารถมีผลทําให้เกิดลูกสัตว์โอปปาติกะเป็นอัธิสัตว์โอปปาติกาได้คุณจะยังไม่เข้าใจในภาษาบิชการในสัตว์โอปปาติกาที่ของพระเจ้านั้นแหะมาตาปิตาหรือแม่พ่อ แต่เป็นไทยเป็นภาษาไทยก็ว่าเป็นแม่เป็นพอ่อมาตาปิตาที่อยู่ในสมาธิมิจฉาทิฏฐิสิบเนี่ยเบื้องต้นเลยเป็นแสงอรุณเป็นมรรคองแปดคุณยังไม่เข้าถึงอัตตาด้วยความเป็นสภาวะปุณนี้เลยก็ก็เห็นได้ว่ายังยากนะคุณนี่บอกว่าไม่ได้ประสงค์จะให้บอกว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไปรู้พระพุทธเจ้าซะด้วยนะ เป็นเรียคําว่ามนสเปโตเนี่ยพระพุทธเจ้ามีได้ประสงค์ให้หมายถึงสัตว์ที่ถือกําเนิดมีนามมีรูปเป็นเปรตจริงๆโดยเป็นขึ้นมาเองไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ที่เรียกว่าสัตว์อุปวัติกะเรืไม่ไเปรต น, นั้นเลยไม่เพราะแท้จริงแล้วพระองค์เพียงแต่ประสงค์จะอุปมาเพียงแต่ทรงอุปมาให้เห็นเท่านั้นเองว่าหากผู้ใดมีคุณธรรมที่ตกต่ําไปจากเดิมคือความมีธรรมมนุษยธรรมของตนแล้วเพราะมากไปได้วยความโลภเช่นเดียวกับเปรต ผู้นั้นก็ย่อมไม่แตกต่างอะไรไปกับเปลทืที่อยู่ในร่างมนุษย์ผู้ถูกนะอ่านอีกทีผู้ถูกนะ <c oughs> น, กนะนะหาผู้ใดมีคุณธรรมที่ตกต่ำไปจากเดิมคือความมีมนุษยธรรมของตนแล้วนะอุปมาอุปไมยก็ปเป็นมนุษย์เปโตเพราะมากไปด้วยความโลภเช่นเดียวกับเปรตนะผู้นั้นย่อมจะไม่แตกต่างอะไรกับเปลทืที่อยู่ในร่างมนุษย์ ก็ไม่ต่างอันเดียวกันด้วยซ้าไปจะไปต่างยังไงในร่างมนุษย์นี่แหละมนุษย์สเปโตหรือว่าเปโตหรือเปลยนันอยู่ในร่างนี้แหละร่างมนุษย์นี่คุณก็ยังแยกบ่กคนละอย่างอยู่อีกโอ้ย oh, เมื่อไหร่คุณจะไปเห็นของจริงเนอะอยู่กับของจริงไม่เห็นของจริงแล้วก็ไม่ศึกษาของจริงดันพาไปทิ้งไปเป็นของลึกลับอีกแล้วของจริงก็ไม่ไม่เอาไม่จับไม่เล่นไม่ศึกษาโอ้ยตายตา ย, ตา ย, ตาย อีกเมื่อไรหนอคุณเปตรจะสซูน่าจะได้เจอทางที่จะไปบรรลุสัจธรรมได้กับเขาสักทีจะเข้าหาปรมาทุถูกสักทีหนึ่งและเหตุ น, นี้เองถึงได้เรียกมนุษย์เปโต น, นี่ไงก็ดูแลกับมนุษย์เปโต น, นี่แหละคุยในร่างมนุษย์นี่แหละเป็นเปรตอยู่ในร่างมนุษย์นี่ไงซึ่งก็ยังมีคําอื่นอีกมากถูก เช่นมนุษสเทวโอถูกเป็นมนุษย์เทวดามนุษย์นิริยะโตถูกมนุษย์สัตว์นรกมนุษย์นิริยะโตมนุษย์มนุษย์โ ซ, โซถูกเป็นมนุษย์ที่ใจสูงมนุษย์เดรชาโนถูกแล้วเห็นของจริงพวกนี้มัม่งไมเ้าคุณแปดจ็ดศูนย์ห้าอัตมาในเห็นแลวรู้แล้วกระจัดออกจากตัวเองไปเลยไม่ติดไม่ยึดในพวกนี้ไม่มี ข้อไปมันต้องพูดของจริงอย่าหาว่าอาตมาอุดริมุตธรรมตนเองเลยนะอาตมาอยากจะให้คุณแปจสุน่านี่ศึกษาเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะได้เห็นอันนี้จริงๆบ้างเช่นอย่างคําว่ามนุษย์มนุษโสนี้ก็หมายถึงมนุษย์ผู้ยังคงคุณธรรมเดิมของตนหรือยังคงมีความมีความมีหรือยังคงความมีมนุษยธรรมของตนได้นั่นเอง ยิ่งคำว่ามนุษย์สเด็จมนุษย์สเดระชานโนแล้วยิ่งชัดเจนใหญ่ว่าย่อมมิได้หมายถึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆอย่างนั้นแน่เออก็โูก ด, ดีเนะ้วก็ถูกแน่การมาเข้าใจคำพูดของคุณเปตเจสุนานี่ดีเลยชัดเจนแต่มันทำไมมันผิดฝาผิดตัวแยกฝาแยกตัวอยู่ตลอดเวลาคุณเอย คุพูดมานะภาษานี่เห็นชัดว่าเป็นอัตวาตุปาทานได้แต่พยัญชนะมันไม่เข้าถึงสภาวะจริงอันเดียวการแท้ๆก็ยังประจับแยกเขาอยู่เพียงแต่หมายถึงว่ามีคุณธรรมที่ตกต่ําไปจากมนุษย์สตัมเดิมของตนจ น, จนเหลือเทียบเท่าเเททียบ่าอีกจนเหลือเทียบเท่ากับสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่นเองมันไม่เทียบแล้วมันสัตว์เดรัจฉานแท้ๆเลยในร่างมนุษย์นะอย่างที่อัตมายกตัวอย่างอีก ที่เขาเขียนรูปคนใส่เสื้อนอกแล้วก็หัวหมาหัวควายหัวสิงเสืออะไรนั่นแหละเป็นคนจริงๆเป็นร่างมนุษย์แต่จิตวิญญาณเขาเป็นจริงๆจิตวิญญาณเขาเป็นหมาจิตวิญญาณเขาเป็นควายจิตวิญญาณเขาเป็นเสือจิตวิญญาณเขาเป็นวรนุษจริงๆเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นจริงๆคุณก็อย่าบอกว่าท่านไปเทียบเทียบแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปเห็นของจริงสักทีเ ติดอยู่แต่พยัญชนะเออฉะนั้นดังที่วิวิสสัชนามานี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโพธิรักเข้าใจดีแล้วก็จงอย่าไม่ก็จงอย่าด้วยนะก็จงอย่าไม่ไปเปลี่ยนความหมายของคําว่าสัตว์โอปปปาติกาให้ปิดเพี้ยนไปจากเดิมที่พุทธเจ้าได้หมายบัญญัติเอาไว้อีกเลยคุณตั้งหากไปโยกย้ายของพระพุทธเจ้าเอาไว้คนละสัตว์คนละส่วนต่างนี่น มันอันเดียวกันมันซึ้งอ่ะเพราะงั้นคนที่ติดอยู่ที่รูปอย่างที่คุณว่าเนี่ยอย่างที่คุณพูดที่คุณเป็นเนี่ยคุณติดอยู่ที่รูปและคุณก็ไปติดอยู่ที่อบปรปาติกาที่เป็นอรูปมโนมยอัตตาอันนั้นคุณไม่ได้รู้จากตัวที่เป็นอัตตาจริงสภาวะนามธรรมจริงจิตวิญญาณจริงที่มีอัตตาเป็นเปรดมีอัตตาเป็นสัตว์เลเชีานมีอัตตาเป็นอะไรพวกนี้คุณไม่ได้รู้เลยคุณไปติดอยู่แค่พยัญชนะเท่านั้น เออแต่ถ้าโพธิรักษ์ยังยืนกลานอยู่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อรหันนะถ้าเป็นยังยืนกรานว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อรหันก็ย่อมจะมีนรกสวรรค์ได้นาคนอื่นที่ไม่ใช่อรหันก็ย่อมมีสวรรค์นรกได้แต่หากเป็นอรหันอย่างโพธิรัก์แล้วสวรรค์นรกก็ย่อมจะไม่มีอยู่ได้เลยคุณพูดมาในคุณพูดได้ทุกถูกนะ อาตมาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอยู่ได้เลยอยู่เลยนะคนที่ไม่ใช่อรหันใครก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่โพธิรักษ์เท่านั้นน่ะยังจะมีนรกมีสวรรค์จริงจริคนที่เป็นอรหันแล้วตัวเองไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ของตัวเองฟังให้ชัดนะของตัวเองไม่มีหรอกหมดผู้ที่เป็นอรหันแล้วหมดนรกหมดสวรรค์โลกีหมดแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์ อาทุกกรรมสุกแล้วนะเพราะงั้นในคุณนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อรหันต์ก็ย่อมจะมีนรกสวรรค์ได้ก็ใช่สิยังไม่ไอรหันต์ยังเหลือแม้แต่อนาคามีก็ยังเหลื อ, อนรกสวรรคา์ส่วนเหลือเป็นรูปประพบรูปปพบของอนาคามีหมดเลยนรกสวรรค์ของแม้อนาคามีภูมิรูปประพบรูปปพบหมดเกลีย้ยงไม่เหลือจึงเป็นอรหรันต์ แล้วเป็นอรหันผู้ไม่มีแล้วนรกสวรรค์ใดๆแต่หากเป็นอรหันอย่างโพธิรักแล้วสวรรค์นรกก็ย่อกจะไม่มีอยู่ได้เลยแม่คุณไม่อยากได้เลยเป็นอรหันที่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเลยจบสวรรค์โลกีนรกโลกเบียดแต่สวรรค์ของวิสุทธิเทพเป็นสวรรค์ของผโพธิหมดนรกหมดสวรรค์โลกีเกล้ยงเลยเป็นสวรรค์อันวิเศษเป็นสวรรค์อัน นัตถิอุปมาเปรียบเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เป็นสวรรค์ที่ไม่มีอะไรจะเปรียบปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังนั่นัตถิอุปมาจะเปรียบอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นสวรรค์อย่างนั้นจึงถามหน่อยว่ า, น, านี่คนนี่ก็ว่าจึงถามหน่ว่าก็แล้วทําไมอรหันต์ที่ชื่อว่าพระมาลัยถึงไปเยี่ยมสัตว์นรกในขุมนรกได้เล่าทุกวันนี้อาตมาเดินลุอยอยู่ในขุมนรก อตาตมานี่แหละตัวพระมาลายมาโปรดเปรตโปรดสัตว์ในนรกอตาตมาเองไม่มีสวรรค์นรกนะไม่มีนรกเนะียแต่นรกมันมีเห็นไหมคือจับไปหมดจับไปเข้าใจไม่ได้แล้วว่าจริงๆแล้ว น, นรกสวรรค์อยู่ไหน น, นรกสวรรค์อยู่ที่ใจใจเราไม่มีแต่ น, นรกสวรรค์มีไม่มีทุกวันนี้อตาตมาก็มาโปรด น, นรกอยู่เนี่ยนะพระมาลายถึงไปเยี่ยมสัตว์นรกใน คุ้มนรกได้เล่าอีกทั้งทำไมพระโมกขลานาถึงยังไปสนทนาธรรมะกับเท้าสักกะในดาวดึงได้ด้วยเล่าพฮ้ยราจะมาคุยกันทุกคืนเกือบทุกคืนจึงขอให้ข้ขอคิดกับโพธิรักษว่าดวงอาทิตย์ไปโนนเทียบวัตถุละดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกของเราตั้ง 1.5 ล้านเท่าแต่ในเอกภพนี้ยังมีดวงอาทิตย์ดวงอื่นที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอีก 95,000 ล้านเท่า ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วดวงอาทิตย์ดวงนั้นย่อมจะใหญ่กว่าโลกของเราตั้ง 142,500 ล้านล้านเท่าช่างมีสถิติช่างประศึกษาเนะรู้มากกว่าอาตมาเยอะอาตมาขอสุหกเลยเป็นผู้มีความรู้มากอาตม า, ามากมายนะท่นั้นโลกของเราจึงเป็นเหมือนฝดผงฝุ่นทุลีในเอกภพเท่านั้นโดยยังไม่นับสารสาสารมืด ยังไม่นับสสารมืดเช่นหลุมดําเป็นต้นที่สายตาของมนุษย์ไม่อาจจะไม่าอาจจะมองเห็นมันได้โดยซ้ําแต่ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็สามารถจะไปสูจน์ได้ว่ายังมีสสารมืด อ, อีกเป็นจํานวนมากถึง 96% โอ้โหตัวเลขเป๊ะ เ, เลยเนาะที่มากกว่าสสารที่ตาของเรามองเห็นได้ ม, ง, มงและเปิดเพียงแค่ 4% ี่เร์มงและปิดด้วยซ้ํา ชั้นใดก็ชั้นนั้นมิติของโลกนี้ก็เป็นเพียงแค่มิติเล็กๆมิติหนึ่งเท่านั้นในสามสิบเอ็ดมิติหรือในสามสิบเอ็ดภูมิที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วโดยที่แต่ละภูมิก็ยังแบ่งออกไปอีกตั้งหลายพอบเช่นนร ก, กภูมิก็ยังแบ่งออกไปอีกตั้งเกือบห้าร้อยขุมนรกอ้ยขุมนรกมีมากกว่าห้าร้อยเยอะคุณเอ้ยอาตมาลุยมาหมดแล้ว มากไม่หมดหรอกเขาเอาไปรุ่ยม า, มากแล้วกว่าห้าร้อยคุมนรกอีกตั้งกว่าห้าร้อยคุมนรกหรืออโมเลปหรือห้าร้อยภพนรกเป็นต้นฉะนั้นการที่จิตวิญญาณของโพธิรักไม่สามารถจะพัฒนาอ่าก็ว่าตมานี้ไม่สามารถพัฒนาจนมองเห็นพบภูมิอื่นๆของสัตว์วาด้าได้ไม่สามารถจะพัฒนาจนมองเห็นพบภูมิอื่นๆของสัตว์วาด้าได้ โอ้ใครน้อไม่เห็นตตวาดเก่าได้แล้วโพธิร ก, ก็ยังขืนจะบ ง, บ, งบงเบงว่าขืนจะไปบงเบ ง, บงว่าพบภูมิอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีจริงรอกแต่เป็นเพราะมโนโมยอัตาที่จินตนาการปั้นขึ้นมาเองทั้งนั้นซึ่งถ้าจริงอย่างที่โพธิรกว่านี้ล่ะก็ถามหน่อยว่าเมื่ออรหันต์องค์ุลิมานบินทบาทกลับมาพร้อมได้เลือดโชคศรีรษะแล้ว ทำไมพระเจ้าถึงได้ตัดแกะองคุลิมานว่านี่ถ้าหากท่านไม่ได้บรรลุเป็นอริยะแล้วตายไปท่านก็จะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในนรกที่ทุกข์มากกว่านี้หลายแสนเท่าจึงถามโพธิระว่าถ้าสมมติว่าองคุลิมานไม่ได้บรรลุเป็นอริยอ ร, อริยจริงแล้วเมื่อตายไปองคุลิมานก็จะต้องไปเป็น นรกไปปั้นนรกคือปั้นทุกข์ให้กับตนเองกันนั่นหรือถูกต้ององค์คุลิมานยังไม่เป็นท่าพระเจ้าตรัสว่าถ้าไม่ได้มาเป็นอริยะไม่ได้มาบวชไม่ได้พบหลวพ่อพรเจ้าก่อนองค์คุลิมานมีบาปแน่นอนเพราะฉะนั้นองค์คุลิมานจะต้องตกนรกแน่นอนจะมีนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าแน่นอนไม่ต้องปั้นหรอกมันมีจริงเลยนะมีจริงเลยเพราะว่า องคุริมาณก่อกรรมเองอยู่แล้วแต่พอดีมาพบพระพุทธเจ้าจึงเกิดปัจจุบันธรรมเรียนรู้ได้เป็นสมาธิจึงรู้จากตัวที่มีบาปมีบุญแล้วก็ละลดกิเลสจึงจบไม่ต้องไปตกนรกอีกก็ชัดเจนทุกอย่างแล้วซึ่งในพระสูตรบทดึงพระพุทธเจ้าก็เด็ดตัดไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าทุกนั้น ย่อมไม่ใช่ที่คนอื่นจะมากระทำให้กับโตของเราได้และคุณเป็นมัวจะมองทุกคนอื่นทำไมเล่าฮะคุยจังเลยเห็นก้อนทุกเดินไปเต็มสะพานเต็มอะไรอะไรต่างๆนาะนาะโอ้อ่ะทุกนั้นย่อมไม่ใช่คนอื่นจะมากระทำให้กับโตของเราได้และทุกนั้นก็ย่อมไม่ใช่ที่เรา ที่ตัวเราเองจะกระทำให้แก่ตัวเราเองได้เช่นกันเพราะวัตถุนั้นย่อมเกิดมาแต่เหตุในวันแรกคือตัณหาและปัจจัยคืออวิชชาตัณหาเล่าแม่รู้ดีรู้ดีพูดถูกถูกเลยนะเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวจริงของมันเองเลยมีแต่เหตุกับปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ใดดับเหตุดับเหตุดับเหตุได้ทุกอย่างดับทุกอย่างมาแต่เหตุ รูกก็ดีนามก็ดีก็มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยรูปก็ไม่มีนามก็ไม่มีในโลกนี้อะไรอะไรก็ไม่มีถ้าไม่เกิดจากเหตุกับปัจจัยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ไปดื้อไปกดข่มหัวตัวนั้นเฉยๆแต่ท่านดับเป็นปฏิจจังวารหรืออิทยยัปเยตาดับเหตุดับปัจจัยต่อเนื่องๆๆจนหมดเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจะต้อง เอาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาไล่อธิบายอิทธิปฏิยตาหรือปัจจัยการต่างๆจะได้ดับเหตุแล้วสุดท้ายเหตุตั้งแต่ชาติตัวที่หนึ่งจะเป็นโอราริกอัตาหมดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดอรูปะอัตตาสิ้นเกลี้ยงอรูปะอัตตาหมดจบเลยก็เหลือแต่อัตตาที่ เป็นอมตะผู้ที่เป็นอัตมยตาสามารถที่จะอาศัยอัตตาใดเป็นอรหัตตาซึ่งเมื่อวานนู่นวัก่อนเป็นบรรยายอยู่ที่ศีษะฮะเมื่อวานนู่นวัก่อนอ่นั่นน่ะก็เป็นผู้ที่อมตะก็สามารถที่จะอยู่กับอัตตาหรืออรหัตตาที่เป็นอรหันต์แล้วเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วอย่างแท้จริง แต่คุณยังแมจิกยังลึกลับอยู่เลยนะฉะนั้นแล้วที่พลทรพธิรักษ์บอกว่าที่คนไปนตกนรกนั้นก็เป็นเป็นเพราะมโนมยอัตตาไปปั้นนรกขึ้นเป็นปั้นทุกข์ให้กับตัวเองทั้งนั้นใครจะไปปั้นมันเป็นแล้วใครทําของคนนั้นนะแต่เราเองเราจะอาศัยสิ่งที่เราสมมุติสัจจะนะ มีอัตต์ของตนเองมีอาศัยอัตต์ของตนเองแล้วก็สามารถเป็นอมตะบุคคลอตมมยตาสามารถที่จะมีอันนี้ไม่มีอันนี้ได้จิตเป็นมุทุภูต ธ, ธ, ธาตุจิตมีกายกรรมญตาจิตสามารถที่จะสร้างกายนี้ขึ้นมาเป็นธรรมกายได้ที่จะอาศัยแล้วก็รู้ว่ากายนี้เป็นแต่ศักแต่ว่าอาศัย ถ้าไม่ได้มีตนเป็นของตนอะไรอัตราถ้าไม่ได้เป็นตนอัตรามไม่ได้เป็นของตนนท่านอาศัยได้ไม่ใช่ปากพูดนะท่านหมดอัตราจริงเพราะได้ศึกษาอัตราที่หมดไปจากหยาบบางละเอียดจนสิ้นเกลี้ยงแล้วก็ทบทวนจนกระทั่งแน่ใจว่าดับไม่มีเกิดอีกน่าอ่า ปั้ให้องเท่านั้นจึงเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกับพระสูตรอย่างชัดแจ้งนะไม่ขัดแย้งเลยนะซึ่งเราเองบ่งตรงๆนะมีบ่งตรงๆอีกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากเถียงเอาชนะโพธิรักษ์เลยนะคุณไม่อยากเถียงแล้วคุณต้องการจะแย้งอาตมาเท่านั้นนะแต่เป็นเพราะว่าเรานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมจริงนะ แต่เพราะว่าเรานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมจริงบรรลุอริเป็นอริยะจริงก็มั่นใจตัวเองเป็นอริยะนะก็บอกมาก็เอาก็ดีไม่ปัดไม่ปิดบังไม่อั้พรางเขาให้จริงเถอะจึงสามารถคือพระเจ้านี่ท่านไม่ไปดัทัาไม่ไปเอาผิดนะไม่ไปเอาผิดคนที่หลงตนเองว่าบรรลุนะถ้าคนหลงตนเองบรรลุทำไม่เอาผิดแต่คนที่รู้ว่าตนเองไม่บรรลุแล้วรู้ทั้งรู้และบอกว่าตนเองบรรลุนันคนนั้นประราชิก นะเห็นทำจริงบรรลุเป็นอริยะจริงเพราะงั้นไม่เป็นไรถ้าคุณเองคุณมั่นใจว่าคุณบรรลุแต่คุณเองคุณไม่บรรลุแต่คุณหลงไ ม, ไม่ไม่อบัติหรอกนะเรานั่นได้ดวงตาเห็นทำจริงบรรลุเป็นอริยะจริงจึงสามารถที่จะเลือกเฟ้นประสูตรมาใช้ได้อย่างเหมาะเจาะก็เพื่อที่จะบรรจงนะเพื่อที่จะบรรจงชี้แจงให้เรียงลําดับไปตามหลักแห่งเหตุและผลโดยต้องระวังไม่ให้มั่ว และยังต้องมีให้ผู้อ่านสับสนได้อีกด้วยแต่โพธิรักษ์กลับหาว่าเรานั้นเก่งแต่ตะ ก, กะเท่านั้นเพราะไม่ได้ทะรุปธรรมจิตสัจจะจริงๆเช่นโพธิรักษ์เลยฉะนั้นเราจึงขอเตือนโพธิลักษ์ว่าถ้าหากจิตวิญญาณของโพธิรักษ์เปรียบเป็นกระสุนด่านเสียแล้วถ้าหากจิตวิญญาณของโพธิลักษ์เปรียบเป็นกระสุนด่านเสียแล้ว หรือคือสัมผัสที่หกของโพธิรักษ์จึงไม่อาจสามารถที่จะทำหน้าที่รู้แจ้งธรรมารมณ์ตามนะว่าอาตมาไม่ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งธรรมารมณ์ตามสัจายภาพที่ควรจะมีจริงเป็นจริงเขมันได้ทังทั้งทอาตมาอธิบายอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์เวทนาในเวทนาร0อยแปดพูดมาเท่าไหร่เท่าไหร่ คุณแปดเจ็ศูนห้าก็บอกว่าอาตมาไม่รู้จักธรรมารมณ์นี่ไม่สามารถจะทําหน้าที่รู้แจ้งธรรมารมณ์แสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าธรรมารมณ์คืออะไรที่อาตมาพูดไปตั้งอารมณ์ร้อยแปดก็ยังนี่คือคําว่าอารมณ์จริงๆเลยนะเวทนาร้อยแปดนี่คือแปลว่าอารมณ์หรือความรู้สึกร้อยแปดคุณแปดเจ็ดศห้าก็ฟังไม่เข้าว่าอาตมาอธิบายอะไรนะก็แล้วใครล่ะไม่รู้อารมณ์ อธิบายมาจนอยู่ทั้งอธิบายมาไม่รู้กี่ปีกี่ตอนกี่ปีแล้วนะนี่ตอนนี้ก็ยังอธิบายอยู่เกือบทุกวันเอามั้งเนา ะ, นะตามศักยภาพที่ควรจะมีจริงของมันได้ฉะนั้นแล้วก็เท่ากับ ว, ว่าแม้ถึงแม้โพธิเลิกจะปฏิบัติสมาธิลืมตาแต่ก็มีปัสสะได้แค่ห้านะบอกว่ามีปัสสะได้แค่ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นนะมีปัสสก็มีสัก รู้ได้แต่ภาษาห้าเท่านั้นเพราะยังขาดภาษาที่สําคัญยิ่งซึ่งนั่นก็คือโพธิรักษ์ยังขาดภาษะทางจิตวิญญาณหรือขาดสัมผัสที่หนั่นเองและโพธิรักษ์จะไปบรรลุธรรมจริงๆตามที่คุยไว้อย่างไรได้สรุปว่าถ้าโพธิรักษ์เห็นทุกจริงถึงจะหวังพระนิพพานได้แต่หากว่าโพธิรักษ์ยังไม่ได้เห็นทุกจริงๆเหมือนอย่างที่คุยโมไว้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าโพธิรักษ์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ จึงขอวิงวอนแต่เพียงว่าให้โพธิรัก์พ้นจากปากเหวนรกนรกไดเ้เราทั้งหลายก็น่าจะพอใจแล้วสาธุสาธุสาธุเจริญทำสำนึกดีอนุโมทามินะอาตอมาก็มาเริ่มที่เม่มันจะมทุ่มลันเนี่ยมาเริ่มที่สัมผัสที่หกซะก่อนสัมผัสที่หกนี่คือวิปัสสนาญาณ ซึ่งวิปัสนาญาณ น, นี่แหละจะมีไปตลอดและจะเจริญวิปัสนาญาณจะเจริญไปตลอดกับการสัมผัสภยายนอกทั้งห้าวิปัสนาญาณคือญาณที่จะเห็นจริงจะรู้จักวิญญาณทางจักขุทางโสตะทางคานะชิวหากายวิญญาณท่าห้าทวาร น, นี้ ไม่มีวิญญาณเข้าไปร่วมประกอบแล้วเป็นวิญญาณที่หกหรือเรียกว่าสัมผัสที่หกและต้องสัมผัสพูดถูกนะว่าสัมผัสที่หต้องสัมผัสและสัมผัสหได้ต้องมีห้าทวารเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วอันนี้จึงหกแต่คุณดันขออภัยใช้คําว่าดันแต่คุณก็มเกิดเ อ, เอาดีๆหน่อยเนาะแต่พูดว่าดันมันจะไปแดกไปดันเขาแต่คุณก็ ไม่มันจะว่าผาอีกแล้วนะไม่ประดานก็ผายไปพูดแต่ว่าสัมพพติหนี่มันไม่เกี่ยวกับหทวารและคุณเอาอยู่ดีๆมาหกพวกโดยไม่มีห้ามาเป็นเหตุปัจจัยเลยภาษาทรูปก็ไม่มีโคจรรูปมันจะมาจะเกิดได้อย่างไงรภาษาทรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายโคจรรูปก็คือต้องไปสัมผัสจึงจะเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณตาก็ดับ หูก็ดับมูกก็ดับทั้งๆ ท, ที่ไม่บอดนะนะแล้วคนจะไปมีรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วคนจะไปมีวิญญาณที่หกเกิดยังไงล่ะคุณไม่ได้สัมผัสนะถ้าผัสสะไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณจะมีเป็นสัญญาหรือสัญญาเท่านั้นเมื่อวิญญาณที่ตา หูจะบูดินกายนี้ดับวิญญาณที่เป็นสัตว์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอนณาคามีภูมิขึ้นไปมีแต่สัญญาพระพุทธเจ้าทุกท่านประสัญญานี่แหละช้านักที่จะหมดได้ส่วนรูปท่านบอกว่าเจ็ดปียกไว้เจ็ดเดือนยกไว้เจ็ดวันยกไว้ผู้เก่งก็เจ็ดวันจบเลยเจ็ดเดือนก็ยากหน่อยช้าหน่อย อย่างเก่งก็เจ็ปีไม่บรรลุนาคามีก็บรรลุอรหันต์ถ้ารกราดอย่างนั้นเลยพระเจ้าไอ้ติสัมผัสนี่แหละถูกต้องสมาธิตินี่แหละแต่ถ้าไปงมโค้งอยู่แต่ผัด ส, สะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายคุณเอ้ยคุณจะไปปล้ามอาหางช้างออกจากโพยกาโดยที่ไม่เคยฝึกเอาตัวช้างออกจากโพยกาได้เลยเนี่ยคุณฝันหวานไปเถอะฝันหวานไปเถอะ สัมผัสที่หกของคุณก็บแม็กซิค่าไปตลอดกาลนานอ่าสัมผัสที่หคุณก็ปั่นอะไรต่ไรเป็นมโนมิยะาตาเป็นไอโนในนี้เลอะเทอะไปหมดคุณจะไม่รู้ของจริงแล้วคุณจะอ่านเวทนาในเวทนาไม่เป็นเพราะอย่างนี้แหละคุณจึงไม่รู้จักอารมณ์ที่คุณพูดเองเมื่อกี้นี้พูดถึงอารมณ์ทําหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์แต่คุณเองตั้งพากไม่รู้แจ้งอารมณ์ที่เกิดเมื่อสัมผัสตาหูจมูกดินกายใจ โมสัมผัสแ้วก็ไปเป็นกายในและกายในนี่อัตบักอธิบายหมดแล้วจากตากระทบอยู่แล้วก็เป็นกายในเป็นองค์ประชุมของทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและนามเป็นสัมผัสที่หเข้าไปข้างในเมื่อปรุงเมือม่อโมสัมผัสแล้วมันก็ปรุงปุ๊บเป็นกายในกายเป็นสังขารเพราะเป็นสังขารแล้วในสังขานี่แหละมันก็คือความรู้สึกในนี้ สังขารในสังขารนี้จะมีพร้อมเลยเมื่อสัญญากําหนดรู้ในสังขารนี้ก็มีเวทนามันจะสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเลยเป็นเจตสิกสาเป็นกาโย ο, เรียกว่าหมวดเจตสิกสามเมื่ออ่านเวทนาในเวทนาออกก็พิจารณาเวทนาแล้วว่านิอารมณิธาอารมณ์อิทธารมณิธาอารมและอิทธารมณิธารมนี้เกิดจากเหตุอะไรก็ดับเหตุนั้น พอดับเหตุนั้นนี่ตัวทุกตัวอะไรก็หายไปหมดตัวผีตัวสัตว์นรกสัตว์เปรตอะไรสัตว์เทวดาหายหมดพราะดับเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณไม่รู้จักสัมผัสที่หกนี่คือวิปัสสนาญาณแท้ๆนะที่จะต้องต่อเนื่องตาหูจมูกลิ้นกายนะเสร็จแล้วก็สัมผัสมา ก, ก็สามารถอ่านสัตว์โอปปาติกะที่เกิดจากสัมผัสภายนอกได้ เป็นวิปาาัสนาญาณแล้วก็ดับไปเรื่อยจนดับสัตว์ภายนอกหมดเหลือแต่สัตว์ภายในเป็นอนณาคามีภูมิขึ้นไปทีนี้แหละก็เหลือแต่สัญญาใช้อายตนะหรือสัพติหกมนายตนะกตมายตนะโดยไม่ต้องใช้อายตนะข้างนอกที่เป็นอายตนะสิบข้างนอกพระอนณาคามีก็เหลือแต่ ข้างในเป็นสัมผัสที่หกที่ไม่เรียกสัมผัสไม่เรียกสัมผัสเพราะเป็นมนายตนะกัตธ ร, รมายตนะไม่เป็นโพธพารมเป็นธรมมารมเท่านั้นไม่ใช่ตัวผัสสะหรือโพธโพทะแล้วผัสสะไม่เรียกโพธพารมแล้วอานาคามีขึ้นไปจึงจะใช้สัมผัสที่หกที่มีเฉพาะแต่มนายตนะกับธรมายตนะ เพรได้หมดสัมผัสหจริงๆคือ จ, จ, จ, จากตาหูจมกูกลิ้นกายห้าและข้างในหโดยสัมผัสเดียวถ้าจะว่าแล้วอนาคามีมีสัมผัสที่เดียวหนึ่งเฉพาะใจหนึ่งเฉพาะใจจะเรียกว่าสัมผัสที่หไม่ใช่ถ้าสัมผัสที่หก็คือต้องนับหนึ่งสองสาสี่ห้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหก็คือใจร่วมรู้ ด, ด้วยเป็นกายโยเช่นรูปประกาย ก็สัผัดรูปข้างนอกรูปรูปังรูปรูปรูปข้างนอกโยงเข้ามาเป็นกายในกายเป็นรูปกายคำว่ากายในกายโยของพระเจ้านี่ไม่ใช่ร่างไม่ใช่สรีระคำว่ากายอยู่ที่ใดมีนามมาทำอยู่ด้วยที่นั่นแม้ที่สุดนามกายของพระอนาคามีก็คือนามแท้ๆไม่ต้องใช้อาศัยรูปข้างนอก เพราะรูปข้างนอกจบแล้วมันก็มีเป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็เกิดอยู่ตั้งอยู่ดับไปของมันเราสัมผัสเกี่ยวข้องกับมันมันก็ไม่ไม่เป็นเหตุทำให้เราต้องเกิดสัตว์อะไรอีกแล้วอนาคามีขึ้นไปหรือจะมีสัตว์ก็เหลือสัตว์ละเอียดรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะอกุจจะซึ่งเป็นของตนเองไม่เกี่ยวข้างนอกเลยเป็นปัจจัตตลักษณ์ เป็น ล, ลักษณะประจำเฉพาะตนเป็นของตอนเป็นเอกโกเป็นเรื่องของตอนเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้านเผื่อว่าคุณไม่สามารถที่จะรู้จักวิปัสนาญาณแม้ที่สุดวิปัสนาญาณขั้นที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าถึงขั้นอนาคา ม, มีก็เป็นสัพพัตไปถ้าจะเรียกแลไม่ต้องเรียกสัมพัตหกต้องเรียกสัมพัตหนึ่งเลยเพราะห้านั้นจบแล้วที่ครบพร้อมด้วยวิโมกข์แปดอย่างพระอนาคา ม, มีต้อง ถ้าเป็นสมาธิกถิแล้วครบพร้อมพวิโมกข์แปดที่รู้แจ้งกายและมีสัญญานะที่กำหนดรู้ในความเป็นสัตว์ครบัตรวรรษเก้าและกำจัดสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนี้สิ้นความเป็นสัตว์ได้หมดเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวผู้รู้ ถ้าไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีนามแล้วก็ไม่มีสัตว์นอาตมาก็ยกตัวอย่างยังจําได้ว่าจับฟักข้ามากระทบกับไออะไรกระทบกับทุเรียนกระทบกับอะไรข้างหน้าข้างข้างแต่ก่อนนี้เคยทํามันไม่มีนามมันไม่มีจิตวิญญาณกระทบกันให้ตายมันก็ไม่เกิดรู้อะไรมันมีแต่รูปกับรูปแต่ ต้องมีจิตวญญาณขึ้นไปเป็นนามกระทบมันจึงจะเกิดรู้มันจึงจะเกิดความเป็นสัตว์นะวันรูปนามเนี่ยรูปเล่นนามต้องรู้ด้วยผัสสะรู้ด้วยสัมผัสแต่นั้นผู้ศึกษาที่ปฏิเสธการผัสสะภายนอกก็คือผู้ไม่มีโอกาสศึกษารูปเล่นนามที่จะมีได้เพราะเกิดจากเหตุและปัจจัย ถ้าปราสจากเหตุปัจจัยแล้วนามและรูปย่อมมิได้มีนามรูปนั้นมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นแล้วจะรู้รูปรูปนามจะไปรู้อุปปัติกาได้อย่างไรถ้าไม่มีผัสสะไม่มีเหตุมีปัจจัยนั้นนะที่นี้ของอคุณอของคุณแปดเจดศูนย์ห้าเนี่ย เป็นผู้เห็นแต่รูปร่างเห็นแต่ร่างของโอปปปาติกะเพราะงั้นจึงเห็นแต่ร่างร่างโครงนอกเห็นรูปเป็นสัตว์ได้ใช้เป็นเร์เป็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเห็นนะมีตาทิพย์ว่างั้นเถอะมีผัรษาที่หกที่คุณนี่ใช้พยัญชนะนี่อาตมาเข้าใจหมดนะคือที่คุณรู้พูดหมายถึงอะไรตอนไหนแต่ก็เห็นแต่โครงร่างเพรานี้ย่อมไม่เห็นความเป็นเวทนาที่เป็นความรู้สึก เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ล่วงไปถึงอาการความรู้สึกโดยเฉพาะคุณจะเป็นล่วงรู้ความรู้สึกของคนอื่นก็ไม่ถูกคุณจะต้องอ่านความรู้สึกเวทนาในเวทนาของตนเองวิโมก8ปดในท่านบอกยืนยันชัดเลยว่าจะต้องเอโกส่วนตนของตนเอโกของตนในของตนเอโกต้องรู้เลยอัจฉติังอรูปสัญญีเอโกพระหิทธารูปานิปัสสติเห็นอันนี้ของตนเอง อนะเพราะงั้นคุณก็ไม่ไม่รู้จักเวทนาของโอปปาติกะพราะไปไปเห็นแต่ร่างหรือศรีระมันไม่ใช่เวทนาเลยนะเพราะก็เลยไปเห็นแต่ดวงดาวอวกาศหรือวัตถุธรรมหรือว่าสสารใดๆก็ไม่รู้ไปเห็นแต่ข้างนอกมันไปเห็นแต่ตัวผู้นั้นก็ไม่รู้จักอริยสัจสีได้จริงเลยนะ ว่าถ้าไปหลงอยู่กับโลกทิพย์ที่เป็นความเป็นข้างนอกนะนั่นไปส่องกล้องออกไปนอกอากาศอวากาศนั่นมาคุยกับอาตมาอีกอาตมาโถเออแย่แทแท้ให้รู้กับตัวเองในตัวเองนี่พาไปศึกษาตรงนั้นหมดนี่ยิ่งกว่าภิกษุสาติอีกนะเนี่ยไกลไปยิ่งกว่าภิกษุสาติไปใกล้ริบเรนออกไปนอกอวกาศนั่นไปออกนอก ไม่รู้กี่ดวงทุกกี่ดวงอาตมาจำตัวเลขที่คุณโคตรมาให้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นความเป็นข้างนอกจิตอยู่เช่นนี้นี่คุณไปเล่นอ ย, อย่างนี้ก็โมฆะกันไม่รู้จักปรมาทสัจจะได้นี่รันดอนแล้วคุณเอนะ้ยเพราะว่าสัตว์โอปปาติกะถ้าแม้นว่าจะเป็นของคนอื่นใครเขาจะสามารถมีนะจะมีอิทธิปาฏิหารจะสามารถเห็นได้จริง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเถียงเถิงอะไรกันอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาไม่ประสงค์จะพูดสักเท่าไรหร่หรอกนะเรื่องนี้ก็พูดผ่านๆ น, นะอาตมาเล่นเดรัจฉานวิชาพองนี้มาแปดปีนะมีความสามารถที่จะรู้จักโอปปาติกาที่คุณหมายโอปปาติกาที่คุณบอกว่าเป็นสั พ, พเวสีเป็นเปรตเป็นสัตว์รกเป็นแม้แต่เทวดาพระพรมอาตมาเนี่ยเล่นถึงขั้นอรูปพรหม เหยียบอกพรหมด้วยกันมาแล้วอ่าคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม่ก็พามาบอกว่าเนี่ยเขามีพระพรหมเข้าแล้วก็ไปเล่นกับพระพรหมเอาพระพรหมเป็นสามีไม่เรียนหนังสือเลยโอ้ยแม่ก็ น, น่าเศร้าน่ามองมาให้อัตมารักษาตอนสมัยเล่นเส้นเดชาวิชาอยู่เนี่ยอัตมาบาอกเถอะเฮ้ยพระพรหมมันยังมามีคู่มีเคืนพวกนี้พรหมชั้นต่ำอัตมาก็เอาพระพรหม พออาตมานี่ก็ใช้ครบเอาพรนรายเลยมาปราบหายรักษาหายเด็กคนนั้นหายอาตมาอยู่สันติยังมาหาอาตมาเลยว่าจำหนูได้ไหมอายุ48แล้วไอตอนรักษาในเจจำหนูได้ไหมและไอคน17กับคน48ในี่คิดดูซิว่ามันจะจำหน้าได้ไหม ไม่เจอกันอีกตั้งเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วก็จะแล้วก็าสี่สิบแปดเนี่ยมันหน้าตามไ ป, ไปไหนไหนหมดแล้วไม่รู้มีรูปไ ม, ม่กี่คนทว่าไมเรศไซนะอาตมาก็จําไม่ได้ ก, นะกับเรื่าของเขาว่าที่อาตมารักษาเขาให้หายตัยังมาหาเลยนะแต่ตอนนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้มันจะสี่สิบแปดแล้วพอว่ามาหาตอนนั้นอาตมามาตั้งแต่สลาหลังเขายังไม่ได้รื้อที่สัตย์อโศกนะ ตั้งแต่ยังมีตุ้ยยังเป็นพระอยู่ตรงตรงนั้นน่ะตุ้ยอะไรชื่ออะไรนะตุ้ยที่มัทโมะโสะนะเอาวิมุตติมาโดนฉายาพระชื่อเขาชื่อนะฮะสุชัยสุรชัยอ่านั่นน่ะนะอัลมาก็เลยของเก่ามานิดหน่อยนะ เพราะในเรื่องของอที่คุณพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยนะอาตมาว่าอาตมาน่รู้ที่คุณพูดทั้งนั้นแหละที่คุณพูดนะแต่อาตมาไม่อยากพูดเพราะว่าอาตมาอัตยามิชิกุชามิฮารายามิมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนอาตมาอย่างนั้นและอาตมาก็เห็นจริงแต่คุณแปดเจ็ดศูนหยังไม่ยอมเข้าใจเลย อาตมาพูดมาก็พูดมามากแล้วนี่ทวนของเก่าทั้งนั้นพูดไปแล้วคุณก็ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดแล้วก็มาตูอาตมาซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำซ้ำย้ำอะไรย้ำพูดย้ำทำย้ำย้ำคิดย้ำทำอยู่อาตมาอยู่แแหละไม่รู้ว่าพูดได้พูดหรือไม่รู้เรื่องอ่ะย้ำพูดเเข้าใจอาตมาไม่พอรู้จักอาตมาผิดผิดแล้วก็วนแสดงภูมิแย้งไปแย่งมาซ้ำบน ำจำคำจาดับย้ำทาย้ำคิดาแล้วก็หานิยายเรื่องใหม่มาก็ไอเรื่องเก่าเลยแหละนะอาตมานะ่ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะนะแล้วก็มาแย้งอาตมาอยู่งั้นนะเพราะว่าไม่รู้ความถูกความผิดอะไรไม่รู้สมมุติไม่รู้ประมาจาเลยก็หลงแย่งอาตมาอยู่อย่างนั้นมมแหละนะ อาตมาเนระเรียนรู้สัตว์โอปปปาติกะแล้วก็ดับเหตุที่มันยังเป็นสัตว์โอปปปาติกะเหล่านั้นนะ่ะหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อบายสัตว์สวรรค์ดับหมดสิ้นแล้วความเป็นสัตว์เหล่านั้นหมดสิ้นไปไม่มีอีกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าโลกนี้ไม่มีใครๆไม่มีก็ในตัวพวกคุณแม้แต่ตัวคุณก็ยังมีสัตว์นรกพวกนี้อยู่เลยนะอาตมาไม่มีก็อาตมาก็บอกว่าไม่มีนะก็จบ หมดความเป็นสัตว์นรกโอปปาติกาในตนเองของอาตมาพอสิ้นสังโยชนะส่วนคุณนั่นจะเอาใจเรื่องนอกอริยสัจจะมาพูดกับอาตมานะก็อก็คุณก็ไม่รู้จะทำไงนตะคุณก็มีนิทานเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยของคุณคุณกว่าเข้าไปคุณเรื่อยๆแหละนะก็ขอสรุปนะสรุปลงตรงนี้เลยว่า คุณแปดเจ็ดศนนาเนะี่ยยังไิ่ชาทิฐิในเรื่องของสัตว์โอปปาติกะอยู่ขออาภัยนะที่อาตมาบอกตรงๆบ่งอะไรบองตรงๆอาตมาขอบอกตรงๆมั่งอ่านะขออาภัยต้องบอกตรงๆมั่นคือคุณยังไิ่ชาทิฐิในสัตว์โอปปาติกะอยู่นะยังไม่เห็นโอปปาติกะที่เป็นของตนในตนจึงยืนยันว่าอัตตาในตนไม่มีอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยแหละคุณว่าอัตตาไม่มีมันไม่ใช่อัตตาเท่านั้นเนี่ยล่ะ มันน่าสงสารทีติด แ, แต่พยัญชนะภาษาอยู่เท่านั้นนะโดยความจริงแนละ้วคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะเพราะความรู้ในสัตว์โอปปปาติกะเนี่ยหรือแม้ว่าคําว่าแม่คําว่าพ่อในทิฏฐิสิบเนี่ยคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอาตมาในเข้าใจกับคนละอย่างจริงๆนะเพราะงั้นถ้าคุณพูดถึงโอปปปาติกะพูดถึงบอกว่าโอปปปาติกะสัตว์โอปปปาติกะนี่เกิดโดยไม่ต้องมีพ่อไม่มีแม่ อาตมาก็ไม่มีปัญหาเราอาตมาไม่เถียงกับคุณเราพ่อแม่ของคุณหมายถึงยังไงอาตมาเข้าใจแต่แม่พ่อของอาตมาเนี่เป็นแม่เป็นพ่อในสมาธิเนี่ยที่จะให้เกิดผลเป็นอัติมาตาอัติปิตาอัติสัตาโอปปาติกาเนี่ยมันคนละเรื่องกันของอาตมากับของคุณคนละอย่างเลยมันก็จบลงตรงที่ว่าถ้าอาตมาถูกคุณผิดถ้าอาตมาผิดคุณถูกโอเค จบนะมันเข้าใจกับคนละด้านจริงๆเข้าใจกับคนละอย่างจริงๆเลยที่พระพุทธเจ้าท่านเคยใช้กับทุกคนว่าความเห็นของเธอและความเห็นของเรานั้นคนละอย่างเสร็จแล้วเทราะนั้นเองสุดท้ายนะเอาละอาตมาใช้เวลาทำให้มันถึงปาราสุดท้าจบตอบไปส น, นานเอาตอนนี้จะตอบประเด็นละก็ขอบอกเบอร์โทรศัพท์ของต่อบเบอร์โทรศัพท์ตามธรรมเนียมบอกเที่ยวเดียวนะ เพราะว่าอาตมามีเวลาเหลือไม่มากแล้วแล้วก็มีประเด็นมาพอที่จะตอบไม่หมดามัถ้ามันสงสัยก็เอาเท่าที่มันตอบได้เบอร์โ<ม> <Be ard. S 2> ทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาเ ด, ดที่นี้ตอนนี้คือ0885859117 <c oughs> กับ0885859118 น่าเป็นของที่บรรดาศไม่ใช่ที่สันติน่า <c oughs> อ้าวที่นี้เริ่มต้นอบอกคนไกลวัดถามฝากถามมาบอกว่ า, วากายแข็งแรงได้ก็ต้องมันออกกําลังกายจิตแข็งแรงได้ก็ต้องสงบจากกิเลสก็ทราบกันอยู่จิตใจคนเราที่มีศีลกับจิตใจคนเราที่ไรศีลยิ่งอายุมาก จะต่างจากร่างกายโดยในส่วนร่างกายนั้นกระผมทราบดีว่าเมื่ออายุยิ่งมากอะไรอะไรก็หย่อนหมดมีตึงที่เดียวคือหูอ ะ, อะไรอะไรหย่อนหมดมันจะตึงอยู่ที่เดียวคือหูคนที่อายุมากๆเขามันจะเป็นอย่างน้นโดยเริ่มมีอาการอาการของตึงที่หูเนี่ยกระผถามว่าหากในส่วนจิตใจคนเราที่มีศีลยิ่งอายุมากจะเป็นอย่างไร อ๋อคนที่มีศีลอย่งอายุมากจะเป็นอย่างไรละจิตใจคนเราที่ไร้ศีนยิ่งอนุอายุมากจะเป็นอย่างไรอ๋อคนทึงมีคนมีศีนกับคนไม่มีศีนในอายุมากจะเป็นอย่างไราหมายเหตุที่คนเริ่มมีอาการหลงมาจากอะไรกับที่หลงหลงลืมๆเป็นไปตามวัยหรือเกิดแต่อย่างใดเพราะบางครั้งฟังพ่อทันเทศเห็นมีบ่นออกมาประมาณว่าเอ๊ะปากต้องการพูดอย่างนึงใจกาหนดไว้อย่างหนึ่ง ใช่อาตมาเนี่ยมันที่มันหลงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกสมองอุปกรณ์ในการใช้เนี่ยมันเสื่อมและอาตมาเองอาตมาใช้สมองจิตวิญญาณใช้มากขึ้นใช้ใช้จิตใจพลังทางจิตนี่มากขึ้นแต่สมองอุปกรณ์ที่จะให้ใช้เนี่ยมันเสื่อมลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลุดหลุดมันก็เลยทั้ง ส่วนจำเนี่ยอาตมาลดไปเยอะไม่จำในอะไรหลายๆอย่างจงกนกระตั้งหลายๆอย่างที่อาตมาจะไม่พึงจำเพราะนั้นเขาถามอาตมาอาตมาก็ตอบไม่ได้สักอย่างแม้แต่หลายอย่างที่อาตมาไม่เจตนาจำจนเรือตั้งใจจะจำเดี๋ยวนี้มันก็จำยากเช่นตั้งใจจะจำคำนั้นคำ น, น, คำนี้ภาษานั้นภาษานี้มันจำไม่ค่อยได้นะท่องไว้ก็ไม่ค่อยได้นะอันนี้เป็นธรรมดาอาที น, นี้ตอบมาจะต้นว่า หัวใจคนเราที่มีศีลจิตใจคนเรานี่พ้มีศีลเมื่ออายุมากกับคนที่ไร้ศีลเมื่ออายุมากจะเป็นอย่างไรคนที่มีศีลแม้ว่าจะเป็นศีนลรัตุ ป, ปาฏานคือยึดแค่ศีลคือพรดยึดจริงๆแล้วปฏิบัติจริงนะคนนั้นก็ดีอายุยิ่งอายุมากจะเป็นอย่างไรก็ดีมีคุณค่าเป็นคนที่มีศีลก็คือคนที่ไม่ทําชั่ว ศีลเป็นเครื่องกําหนดไม่ให้ทําชั่วไม่ทําชั่วเมื่อไม่ทําแม่จะไม่ทําแต่เฉพาะขั้งหนอกกายกรรมวจีกรรมไปศีลปัิบตุปราทานเท่านั้นอ่านไม่ถึงปรมัติตไม่ถึงใจลดละกิเลสตัวเองไม่เป็นเขาก็เป็นคนดีไม่สร้างบาปกายกรรมวจีกรรมก็ไม่สอบส่วนคนไร้ศีลนั่นจะเป็นอย่างไรยิ่งอายุมากไร้ศีลก็เยอะไปด้เวรภัยอ่า บาปกรรมชั่วร้ายก็ทับพืชเลยยิ่งคนที่ปฏิบัติศีลแล้วเป็นอธิจิตอธิปัญญาอธิวิมุตยิ่งเจริญจริงๆเลยยิ่งอายุมากยิ่งเจริญนะยิ่งดีนะต่อมาจากคุณหมาแงนที่เรานี่มีแต่ผาแงนี่คุณหมาแงนเลยอ่า ข อ, ขอตรวจสอบความเข้าใจมาว่าขอให้ครูตรวจสอบความเข้าใจให้พระครูตรวจสอบความเข้าใจดังนี้หนึ่งฮัทไทเยรูปหทไทยรูปคือที่ตั้งของนามธรรมสมมุติว่านามธรรมในที่นี้สมมุติว่านามธรรมในที่นี้คือเวทนาสมมติว่านามธรมมมาามรมในที่นี้คือเวทนาที่อยู่ของเวทนาซึ่งเกิดในขณะผัดสะ เรียกว่าหัทยรูปของเวทนาถูกต้องนะพัสสะเมื่อใดก็เกิดสมยะก็เกิดขณะสมยะคือกาละตอนนั้นสมยะ–สมยังเกิดกาละตอนนั้นผัสสะเมื่อใดก็เกิดเมื่อ น, นั้นที่ตั้งของผัสสะที่ตั้งของจิตวิญญาณที่เกิดสภาพของจิตคือธาตุรูมันเกิดขึ้นมาปั๊บตากระทบรูป มันก็เกิดที่นี่ที่ตั้งถ้าเป็นที่ตั้งอันนี้มันก็สัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้มันอยู่ข้างนอกแต่รู้มันอยู่ข้างในมันก็อยู่ที่นี่แหละตั้งอยู่ที่ไหนไม่รู้นะหรือนะคุณเจ็บคุณปวดเหมือนมันอยู่ที่หัวปวดหัวแล้วหัวตรงไหนมันไม่ได้อยู่ตรงไหนมันถ้ามีประสาทที่มันเกี่ยวมันก็จะเปปวดประสาทตรงนั้น แต่ถ้าไม่ประกาศว่าออไม่เป็นประสาทปวดหัวคุณคไม่รู้มันตรงไหนอ ะ, อะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของร่างกายเนี่ยคุณปวดหัวใจปวดใจเจ็บใจคุณชี้สิว่าคุณเจ็บใจปวดใจมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ตรงหัวใจสูบฉีดโลหิต ท, ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอก ว่ามันอยู่ที่มันตั้งคุณเองคุณเจ็บใจปวดใจนี่เป็นลมๆแรงๆเช่นคุณไปเอาคำคำด่าเข้ามาติดยึดตุงแต่งถือสาแล้วคุณก็โกรธก็เจ็บก็บปวดรับอยู่ตรงนี้คุณก็เจ็บก็ปวดอยู่ในร่างในในคูหาสยางร่างกายที่มีสัญญาในใจของคุณในนี้ตรงไหนที่มันเป็นที่ตั้งไม่มีที่ มันไม่มีที่แน่นอนไม่มีที่อยู่หรอกเอก็กจะรังมันไปของมันได้ทั่วทุรังกำมังนะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะมันหัตถยรูปเนี่ยมันอยู่ที่ที่มันเกิดขณะใดมีผัสสะแล้วเกิดอาการหรือขณะใดที่ไม่ผัสสะแต่คุณปั้นขึ้นมาผัสสะสัญญาดึงขึ้นมากําหนดขึ้นมาเองแล้ก็มาเกิด สรูปาตาต่าคุณในตัวคุณก็เป็นของคุณเองสาตรูปไม่มีนะมีแต่ปภาษาทรูปนะปรภาษาั่นเองอ่ะไปบอกสาธรูปอาตมาก็ว่าปภาษาทรูปนะแต่ถคนฟังเป็นภาษาทรูปเปล่าภาษาทรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่คู่ ก, กับตาหูจมูกลินกายใจโคจรรูปหรือวิสายรูปคือสิ่งที่ถูกรู้อ่ะ สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหาเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าทั้งภาษาทรูปและโครจรรูปต่างก็คือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอุ ป, ปาทายรูปทั้งคู่ถูกต้องถ้าคุณไม่มีภาษาทรูปไม่มีโครจรรูปภาษาทรูปคือตางหงจูจมูกลิ้นกายมันมีตัวประสาท และมันมีรูปกลิ่นเสียงนี่ตัวนี้มันมีรูปฟังทองเนี่มารูปเขียวอยกักจุกจิกๆเนี่ยเราเขาไปกระทบมันมันก็เกิดเกิดรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาก็เป็นองค์ประชุมาธาตรู้เป็นเป็นวิญญาณและมันเป็นกายะวิญญาณส่วนหนึ่งด้วยจากตาเขาเป็นกายะวิญญาณเพราะกายวิญญาณมันรวมมาเรื่องต า, ตาหูจมูกลิ้นกาย กายวิญญาณเป็นโพธิพารม์รวมหมดเลยแล้วก็เข้าไปกายในกายเริ่มต้นเป็นกายในกายเป็นอุปาทานรูปเริ่มต้นแล้วเวทนาในเวทนาก็เป็นนามกายไล่ไปเรื่อยๆสองพ้นมิจฉาทิฏฐิด้วยการเห็นอนิจจงหมายถึงว่ามีญาณอาการสภาวะของเวทนาแล้วมีญาณ ยานที่เป็นรูอาการสภาวะของเวทนาตั้งแต่เกิดขึ้นนะเวทนาตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติเรียกยานที่เห็นสภานี้สภ า, สภาวะนี้ว่าสมสนญ า, านถูกแล้วเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนจะเป็นสภาวะของเวทนาในจิตในจิตก็ตามนะและเรียกมันรวมว่าเป็นกายในกา ย, กายก็ตามนะ เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีญาณเห็นเป็นธรรมชาติถ้าเห็นเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมดาทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะอยู่เที่ยงแม้มันจะช้ามันจะเปลี่ยนแปลงช้าช้าถึงล้านล้านล้ลลลปีที่จะหมดไปถึ้งจะค่อยๆเสื่อมหายหมดไปอะไรก็ตามมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องไปถึงที่สุดจนถึงดับไปจนได้นะ เพราะนั้นอะไรที่เร็วที่เห็นเดี๋ยวนี้สมสัสนญาเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเร็วปัจจุบันนี้คุณก็เข้าใจถึงความหมุนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็วส่วนอุทพพยานุปัสนาญาณนั้นก็คือญาณที่เริ่มต้นการทําลายกิเลสได้แล้วด้วยมักมีองแปดหรือเริ่มทําตัดทางขับปะหารได้แล้วนั่นเองอุทพพยานุปัสนาญาณนั้น ยังไม่เริ่มที่จะทําลายกิเลสแต่มันเป็นปัญญายานเนี่เป็นปัญญาเห็นความจิตว่ามันสูงไปกว่าสมัสนญาณตรงที่ว่าสมัสธน า, านเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าก็าตั้งจะดับไปวนดับไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดนวนวนอย่างนั้นอ่ะส่วนอุททะปัญญาสมัสน ธ, ธานาญาณ น, นั้นมันเห็นเน้นไปในทางว่าทุกอย่างมันลงเอยที่ดับไป ดับไปเกิดขึ้นอีกใหม่บนเวียนไปมันก็ต้องมาสู่ที่ดับมากกว่าหลายๆอย่างเช่นคุณอร่อยคุณอร่อยอันนี้เดี๋ยวคุณก็ดับไปแล้วก็ไปอร่อยใหม่แล้วก็กรดับไปแล้วก็อร่อยใหม่ก็กรดับไปในวันวันนึงไม่รู้สวงหาอร่อยขีอร่อยเดี๋ยวไปเต้นอร่อยเดี๋ยวไปนั่งอร่อยเดี๋ยวไปนอนอร่อยเดี๋ยวไปกินอร่อยเดี๋ยวไปร้องอร่อยเดี๋ยวไปอะไรอร่อยของคุณก็ไม่รู้อร่อยตบปึ๊ด เดี๋ยวไปแย่งอนุญาจากคนนั้นได้มาอร่อยเดี๋ยวไปงี่อร่อยสัพพะอนุสัพพะนี้อร่อยแต่มันก็หายไปหายไปสุดท้ายมันมาลงที่อะไรก็ตามที่มันจะอร่อยอะไรเท่าไหร่มันก็มาจบลงที่ว่ามันก็ไม่มีนี่ยานตอนนี้เป็นคุณสมบัติของยานที่มันสูงขึ้นมันเห็นทุกอย่างมันยึดเอาอะไรไม่ได้มันมันไปหาดับหมดมันสูงไปกว่านั้นเป็นจากอุทัพยานุปัสสนาญาณเห็นพังคานุปัสสนาญาณ ยิ่งสูงขึ้นไปกว่าอุธทธพยาธิปเสนญาณยิ่งเห็นว่ามันมีแต่ดับเห็นดับสูงขึ้นเลยว่าโอ้โหนี่เรามาคว้าลมลมแรงแรงมาคว้าพยับแดดฟองคลื่นมันมีแต่หายวับไปเดียวเดียวมันก็หายไปซึ่งอาจามาว่าไอ้สุขมันยิ่งกับปลายเข็มจิ้มพิษแต่มันก็หายวับไปแต่ทุกที่คุณอุปท า, านที่ไม่ปล่อยสักทีเวน้น อุปทานนันแม้ตอนนี้ผ่านไปแล้วกูก็ยังจำวันหลังขออีกนะจะจำมาไว้ไม่มีลืมอะไรความความทรงจำที่ดีๆไว้ไม่มีปล่อยเวรจริงๆเลยเนี้เนี่ยไ้อุปทานนั่นถาวร น, นานแต่ไอ้แั๊บ อร่อยเนี่ยหายไปท้งนั้นวันวันหนึ่งไม่รู้มันหายอะไรไปมั่งกี่มั่งกี่อร่อยคุณคุณนะแสวงหานิดหน่อยหรือมากอะไรก็ตามแต่ทั้งนั้นอยู่ก็หาทางที่จะอาศัยสินึกว่ามันน่ารื่นรมอิทธารมณ์จะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่ไปตามวันเวลาอยู่กับไอ้ผู้ที่แสวงหาตรงนี้แต่มันก็มีตัวทุกแทรกตัวทุกแทรกต้องทุกแทก แต่ถ้าหาได้ไม่บําเลอไอกิเลสได้เสมอทุกก็น้อยลงไอตัวบําเลอพรางทุกขุกนี่มันมาพรางบังทุกข์มันก็มีมากกว่าแต่พอเวลามาหัดลดหัดอะไรหัดปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นว่าโอ้มันทุกข์มากกว่าแล้วมันไอเสพนั้นมันของไม่มีตัวตนมันแรงๆลมลมมันแรงจะเห็นชัดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นพังคานุปัสนาญาณก็ชัดมากเห็นเป็น สิ่งที่โผลทุกอย่างมันมีแต่หายไปเป็นสภาพที่มันทุกอย่างก็มีอนัตตโตสุญญโตะปรตะระโตอนัตตโตสุญญโตตุจโตวิทโตมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปไม่มีแก่นสารเหลือเลยวิทโตตุจโตสุญญโตแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็ไม่ใหม่บ้าใหม่อีกขานใหมาอี พูดยังเหนื่อยเลยแค่พูดนี่ก็เหนื่อยแล้วใครมาหยุดก็ช่างเหอะนะอันนี้บอกว่าทำลายกิเลสได้โดยมา ก, กองแผ่เริ่มทำแต่ทางขปหานได้แล้วแต่ทางขปหานก็คือเริ่มเห็นความดับดับอย่างมีวิปาาัชนญาณเท่าวิคัมพนาปหานก็คือกฎขม่มมันไม่ได้ดับมันดับเหมือนกันแต่มันได้ไม่ได้ดับอย่างวิปัสนา ตัดทางขัาหานก็คือทําได้ถูกต้องสมาธิิเป็นครั้งครั้งตัดทางขัาหานได้อย่างแท้จริงเป็นวิปาาัสนาญาณและวก็ดับได้อย่างแท้จริงส่วนวิคัปนะ น, นั้นมันดับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่เป็นวิปาาัสนาญาณเพราะฉะนั้นวิปัสนาญาณนั้นจะเกิดกับตัทางคปบพหานทําลายกิเลสได้เป็นระดับลําดับน สำหรับอุทธพยาญนั้นถ้าเผื่อว่าคุณสามารถทํามันไม่ต้องทำแล้วมันเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็เกิดญาณปัญญาหรือึ้นยิ่งคุณทําให้มันหายมันดับไปได้อุทธพยานุปัสสนญาญญาณคุณยิ่งเห็นว่าโอ้โหมันมันดับไปมันหายไปแล้วมันก็ว่างมันก็เบามันก็ไม่เป็นพารามันก็อะไรญาณปัญญาที่จะเห็นว่าความว่างความเบาความไร้สาระมันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะยิ่งมีปัญญาสูงขึ้นเป็นไพร พ ย, พ, ยพยาตูปถา น, า น, านันญาณเดนเป็นภัยว่าโอ้โหมันน่า ก, กลัวนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันหลอกคนหลอกเราเองนี่แหละมานานตั้งกี่ชาติแล้วเนี่ยโอ้โหตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายน่า ก, กลัวพยาตูปถานัญญาลมันจะขึ้นอาทีนวญาณเห็นโทษอาทีนวานุปสนาญาณเห็นโทษไปเรื่อยนิพพานุปส น, นัญญาณก็เกิดขึ้นตามลําดับจริงๆมันเป็นความพัฒนาของ ความรอบรู้ของญาณสมปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นที่แท้จริงจากประสบการณ์ที่มีของจริงแล้วก็ได้พิจารณาจากของจริงเท่านั้นไม่ใช่ตรรกะนะต่อมารูปปจิตกรูปปจิตคืออะไรรูปปจิตก็คือจิตที่ยังมีรูปไงอรูปปจิตก็คือจิตที่มันลดจากรูปแล้วใช้ภาษาว่าอารูปที่จริงมันก็รูปนั่นแหละแต่รูปไม่มีภาษาจะเรียกได้ก็ขอเรียกว่าไม่ใช่รูป ไม่หยาบมันไม่หยา บ, ม, ม, ยาบมันบางเบาไปเรื่อยๆเรียกว่ารูปก็ต่อนั่นเองการทําสมาธิหลับตามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างนี้ทําจิตให้นิ่งด้วยสต ก, กสินใดสินหนึ่งจากนั้นจึงปั้นจิตให้เป็นไปตามที่ตนมีทิฏฐิเช่นจิตที่เป็นหนึ่งหรือปราศจากกิเลสนั้นต้องนิ่งว่างสว่างมืดหรือปลือ มีเปลือด้วยเนาะมีวนิ่งว่าสว่างมืดหรือปลือปรากฏรูปภาพให้เห็นเป็นธรรมกายของพระอริยะในระดับต่างๆกันตามที่ตนเข้าใจว่าตนได้มรรคผลขั้นใดแล้วใ น, นสมาธิหมายความว่าสมาธิของผู้หลับตากันเนี่ยผู้หลับตาเนี่ยคือทําให้จิตนิ่งกรรมกระสินใดกระสินหนึ่งแล้วก็ปั้นจิตขึ้นมาให้เป็นไ ป, นปนตามทิฏฐิตน ให้นิ่งบ้างให้ว่างบ้างให้สว่างบ้างให้มืดบ้างให้ปลืปล้มบ้างหรือปรากฏรูปภาพตามที่ให้เห็นเป็นธรรมกายหรือว่าเป็นกายที่ปั้นขึ้นมาของพระอริยะในระดับต่างๆกันเช่นที่สำนักหนึ่งเขาก็ปั้นกายพระอริยะของเ้าเนี่อริยะโสดาปั้นกายองค์ประชุมของรูปของโสดาเนี่ใ ส, สกว่านี้สกิทาใสาขึ้นไปอีกอนาคาใสาขึ้นไปอีกอตามที่ตนเข้าใจ แล้วก็น the ึกว่าตนได้มากได้ผลแล้วถูกต้องนะกันอย่างนั้น 5. ะ้ากายในสตตวาส9้าหรือวิญญาณทิฏฐิเจ็คืออุปาทายรูปถูกต้องนะกายของสภาพที่องค์ประชุมในสตาวาส9ก้าก็ดีในวิญญาณทิฏฐิเจก็ดีหรือแม้แต่ในวิโมกก็ตามเหมือนกันคำว่ากายต่อมาบอกว่า สิกขมาตต้องปฏิบัติตามหลักคุรุธรรมแประการของภิกษุณีหรือไม่อย่างไร อ, อ๋อสิกขมาตเราไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปเรียกภิกษณุณีเราไม่ได้ปฏิบัติตามแต่เราก็อยู่ในคลองนั้นนะ่ะอยู่ในคลองนั้นนะ่ะเรียกว่าออคุรุธรรม8ประการนั้นเราอยู่ในคลองนั้นอยู่แต่ไม่ได้ไปเคร่งครัดหรือไม่ได้ไปเอามาเป็นตัวกำหนดทีเดียว แต่เราก็ไม่ได้ก็อยู่ในคองนั่นนะคุณไปตรวจดูดีๆเถอะเราไม่ได้เป็นละเมิดอะไรกันหรอกจะเป็นของดีนะต่อมาจากสมุนพระรามหลวงปู่ครับสัมผัสหมีอะไรบ้างครับเก่งถามมาดิสัมผัสหก็มีหนึ่งตากระทบรูปนี่เรียกว่าสัมผัสรูป หูกระทบเสียงนี่ยได้ยินแม่เสียงหลวงปู่พูดเนี่ยนี่ก็คือหูกระทบเสียงสองจมูกกระทบกลิน่นได้ไหมได้กลิ่นอะไรบ้างอ่ะในนี้มันกลิ่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ไม่มีของมีกลิ่นเท่าไหร่น่ลิ้นกระทบรสกระทบอะไรไปกระทบลิ้นมันก็เป็นรสกายก็กระทบเป็นที่ห้าตาหูจมูกลิ้นกายในห้าน่เรียกว่าห้าผัสสะแล้วก็เกิด ใจเป็นสัมผัสที่หคือเป็นอันอันหนึ่งที่ร่วมรู้ตาหูจมูกลิ้นกายหมดจึงเรียกว่าหกรวมทั้งหหมดเรียกว่าหนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสัมผัสหอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็จะรู้ความจริงในสัมผัสทั้งหกนั้นนะถ้าไปปิดตาหูจมูกลิ้นกายเสร็จแล้วเลยสัมผัสเดียวที่จริงไม่เรียกสัมผัสเลยซ้ำํำมันเป็นผลทัพอารมณ์มันเป็นธรรมารมณ์นะ ผมมีโอกาสได้เข้าไปสวนบุญผักพืชคลองสิบสามเห็นสโศ ส, สอนไม่ให้เผานาแต่ทำไมที่สวนบุญผักพืชจึงเผานาครับขอคำตอบจากพระอาารหนึ่งครับพวกเราเผานาเผานานี่ควาหมายควาว่าเผาฟางมั้งคงมหมายควาว่าเผาฟางนาจะไปเผาอะไรมันะ่ะ เผาดินนะเผาดินนาเผาดินนาไปเดี๋ยวน่ะอ่าโคตรอารยะน่ะดินนาถูกเผา้ยุ่งนะอ่าไม่ไม่รู้สิเขาเผาอะไรกันเขาบอกว่าเผาป่าเผาต้นไม้บางส่วนเท่านั้นเองของเราไม่ได้ไปทำอะไรแต่อะไรเโอ้โหไปเผาทำไมเรางของดีนะอ่ต่อมา เพชรแสงธรรมนั่นแน่เด็กชายเบนอหลวงปู่ครับในช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ถามมาตั้งนานแต่ตอนนี้ผมเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วสิครับแล้วหลวงปู่จะตอบไหวไหมครับโอ้เอาลองดูลองดูสิจะตอบไหวไหมหนึ่งเปรตอยู่ที่ไหนคืออะไรครับนั่นนัเปรตอยู่ที่ตัวเบนนั่นแหละ อยู่ที่ใจตัวเองอะแหละอ่านดีๆที่เปรต ด, ดีคือมันมีอาการอยากแมมอยากกินขนมอยากจะได้อะไรอะไรที่ไม่ควรจะได้นี่แหละเปรต อ, อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราสองทำไมทุกคนถึงตั้ง ต, งตะ巴กันล่ะครับผมขอตั้งต ะ, ะว่าผมจะกินขนมสัปดาห์ละสองครั้งนงั่นเละยกเว้น นมกล่องนะครับอ๋อนมกล่องนี่สัปดาห์ละหลายกล่องเนาะอ่าแต่กินขนมสัปดาห์ละสองครั้งก็ดีเริ่มต้นไปเพราะว่าผมชอบกินขนมที่ยกเว้นการดื่มนมกล่องเพราะมันยากเกินไปสําหรับผมออดูตัวมันอดใจไม่ไหวครับแล้วหลวงปู่ล่ะครับจะตั้งตะบะว่าอะไรอ่าตะบะก็คือจะต้องสอนเป็นนี่แหละ ให้บรรลุทำให้ได้นี่คือตา บ, บะหลวงปู่อะไรหลายคนไม่รวมทั้งเบนด้วยหนึ่งเจ็ดผู้ฟังหนึ่งเจดถามมาว่าบุคลาาดดลบคลที่เป็นฆราวาสโดยทางหมู่อโศกลงโทษนะบุคคลที่เป็นฆราวาสโดยทางหมู่อโศกลงโทษจะโดยจํานวนหรือโดยสรภาพให้ต้องออกไปจากหมู่กลุ่ม ทุกเครือข่ายเป็นเวลาหนึ่งปีบ้างสาปีบ้างหาปีบ้างพยานใหญ่ถือว่าเป็นประราชิกในแบบคารวะากระทําได้อะกระทําได้หรือไม่ครับถือว่าเป็นประราชิกในแบบคารวะกระทําได้หรือไม่ครับมีหรือไม่ที่ทําผิดแล้วห้ามเข้าหมู่ตลอดชาติจะเป็นความผิดแบบใดหรือครับ อาตมาไม่เข้าใจว่าถือว่าเป็นประราชิกในแบบฆราวาสกระทาได้หรือไม่ครับการที่ให้ออกไปจากหมู่เวลาหนึ่งปีบ้างสามปีบ้างห้าปีบ้างปยานใหญ่ถือว่าเป็นประราชิกในแบบฆราวาสไม่ใช่ประราชิกนี่เป็นเพียงโทษเป็นทันที่มีกําหนดมีอนุ น, นั้นนี้ประราชิกในหมายคำว่าขาดจากความเป็นพุทธประราชิชนี่ขาดจากความเป็นพุทธไปชาตินึงเลย ขาดจากความไปพุทธโดยทุกคนอย่าไปให้ให้ความรู้มันมันมันสูงประชิกนี่เป็นการเป็นโทษที่หนักกว่าพรหมทันพรหมทันนี่คือไม่สอนเขาจะอยู่ยังไงก็เห็นจัไปผ่านไปผ่านมาเขาจะศึกษาเองเขาจะค้นคว้าเองเขาจะค้นคว้าเองอะไรของเขาเขาจะอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่สอนเรียกว่าพรหมทัน เราไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนไม่ติง้งนี่พรมาทันนี่ก็เป็นการลงโทษที่หนักและแต่ประราชิกหนักกว่านั้นคือไม่ใช่ไม่สอนเท่านั้นให้ออกห่างไปจากาศาสนาพุทธอย่าเข้ามาใกล้ตราบใดที่เราอยู่ในกลุ่มาศาสนาพุทธอย่าให้เข้ามาใกล้ถ้ากําลังเทศอยู่นี่เนี่มาห่างรัศมีได้ยินเนี่ยให้เชิญออกไปก่อนเราหยุดเทศให้ออกไปก่อนแล้วค่อยเทศ จะค่อยบรรยายธรรมะถึงขนาดนั้นคือลงโทษลงทันไปชาบนึงเลยไมเ่เสนอให้ส่วนตัวเขาก็จะค้นควายเองอะไรอะไรถึงอื่นๆ น, นั้นเขาไปห้ามเขาไม่ได้นะเขาก็ค้นควายเอาเองศึกษาดินดนเอาเองแต่ผู้ที่เป็นพุทธศสาสนาชนิยชนไม่ควรส่งเสริมเลยโดยเฉพาะในวงของพระ ในภิกษุเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะเรียกว่าประราชิกโทษหนักสูงสุดเหมือนคนที่ตายไปแล้วจากศาสนาหนึ่งชาติชาติหน้าเกิดมาก็ไม่รู้หรอกว่าประราชิกไม่ประราชิกมันไม่รู้หรอกมันก็จําเปน็นก็ต้องเป็นไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปได้นะลงโทษชาติหนึ่งเลยเหมือนผู้ที่ตายไปแล้วเหมือนอตานยอดด้วนเหมือนใบไม้ร่วงจากขั้วแล้วเอาไปต่อกันไม่ได้อีกเอายาง อะไรไปต่อก็ไม่ถูกไม่ไม่ใช่นะจากอุเบตงฝากเรียนถามพระท่านว่าวาลุลากังสังวาตังวาวาลุละกังวาลุละกังไม่ใช่วาลุลาการวาลุละกังสังวาตังวาแปลว่าดำรงสติมั่นทุกเมื่อหรือเปล่าคะ อาตมาตอบไม่ได้เรามาถามบาลีกาตมาเนี่ยโอ้คุณอย่าหวังอะไรมากเลยไม่ค่อยรู้เลยนะตอบไม่ได้อาตมาไม่รู้เรื่องเลยวาลุแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยนี่วาลุไม่ไม่เคยเจอวเวสราลอลิงสระอุวาวรกกังลอลิงกอกังมังกอมห้อากาศกอกังนี่แหละอ่าสังวาตังสังวาตังวา สังวาตังวาก็ไม่เคยรู้ไม่รู้สักคำแล้วแปลว่า ด, ดำบิดสติดารงสติมั่นทุกเมื่อหรือเปล่าว่างั้นเลยนะไม่รู้สิอัตมาไม่เห็นว่ามีคำว่าที่จะเกี่ยวข้องกับดำรงสติตรงไหนเลยนี่พัตยานชนะพวกนี้เอาใครรู้ตอบแทนด้วยนะวาลุลกังสังวาตังวาเนี่ยใครรู้เชิญช่วยด้วยนะ้ วันนี้กระผมมาถวายสักการะพระสังฆราชที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกระผมเห็นตึกสร้างใหม่อยู่หลายตึกหลายชั้นและทำลายต้นไม้และพระบรมรูปราชการที่8ถูกย้ายออกมาจากที่เดิมร้อยเมตรครับฟังพระครูเทศได้ฟังทำแล้วสบายใจครับอ๋อมารายงานมาพลตรีมินว่มาไปที่โน่นเห็นเขาตัดต้นไม้เห็นเขา ยายที Entonces, ú, ú, worries, ini, ú, ่รถการรถที ú, <kar> ่แปดอะไรก็ว่าไปอ้าวับทราบนแปลว่าอะไรนะกองทรายวาลุละกวาลุักังนี ú, <where> ่เหรอวาลุกาวาลุกาอันนี้วาละวาลุักังเขียนเป็นสองคำอ้าต่อมาส อ๋ อ, อนี่แจ้งสมณบินเก้าแจ้งมาบอกว่ขาขณะนี้ศพอาจารย์ตะวันเกียรติบุญยริ์ตั้งอยู่ที่ปฐมโศกกำลังมีสมณะแสดงทมอยู่แต่พรุ่งนี้จะมีสมณเพราะพุทธจันเทเสดโถแสดงธรรมและจะเผาในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมเวลาสิบห้าวันนี้วันทนาี้สิห้าพรุ่งนี้ยี่7ยบเจ็อีกสองวัน จเผาวันเสาร์ที่ยี่บเจ็ดกรกฎาคมเวลาสิบห้านาฬิกาครับขอเชิญ ญ, ญาติมิตรไปร่วมงานได้ให้ประกาศด้วยศพอาจารย์ตะวันเกียรติบุญริศอาจารย์ตะวันนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาหลัยมหาสารคามวิ ร, ร, รยครูมหาสารคามจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอปดรดเกษียณย่างโปรดแล้วนะว่าจะมาสอนที่ปทมโศกนะว่าว่าปรดแล้วว่าจะมา พูดเอาไว้แต่ยังไม่ได้มาเลยสุดท้ายมาจนได้เผาที่สมโอโสนเนาะโอ้เอ้าเอาเอาเอาก็ไม่รู้จะทำไงนะมาตายที่เกิดอุบัติเหตุอ่าอุบัติเหตุที่เขาชนกันตาย19บกาศพอ่ะอแล้วเผาบนไฟมันคลอกโอ้โหบอกว่าหาดดูตัวยากเลยนะพิมันดำเน ต, ตะโกกันเยอะเลย ก็เลยต้องดูไ tu อ้ส่วนที่เหลือส่วนนั้นส่วนนี้อะไรที่พอจับได้กันหรือไม่สุดท้ายเขาก็าต้องไปตัว d ดีเอนเอกันอาจารย์ตะวันนี่นะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเอาอโศกนี่แหละไปทำาูมันจะเป็นคนแรกเลยนะทำเป็นคนแรกเลยทำจาระสิบห้าหรือเปล่าแน่ใจจตวัน จุลศีลเออจุลศีลแมจิมิศีนมหาศีนสิทวันเนี้ยเนี่ยทำเอาไปทําชัดเลยและทางทุกวันนี้ศาสนาพุทธนี่ไม่เอาฐานแล้วเรื่องจุลศีลแมจิมิศีนมหาศีนแต่อาจารย์ตะวันเนี่ยเอาไปทําวิทยานิพนธ์วิจัยเรื่องนี้นาจุลศีลแมจิมศีนมหศีนอาจารย์อภรทําวิจัยเรื่องจารณสิบห้าตอนแรกในคนที่ทําตอนแรกเดี๋ยวนี้ก็มาทํากันต่อจารณสิบห้าวิชาแปตอนนี้ ทำปริยเเอกเลยทำยุสองคนทำตรงๆเลยอภิศินกันหนึ่งฟ้าแยกกันแบ่งกันทำอภิสินก็นทำในภาคอย่างหนึ่งหนึ่งฟ้าเราทำอีกภาคอย่างหนึ่งนะในระดับขั้นปริยเเอกจากสมุนพระรามหลวงปู่ครับใครเป็นญาติหลวงปู่บ้างครับผมอยากผมยากรู้ อยากมีมีตัว อ, อที่ไหนแล้วไม่มีรูปปูอป่อ่านภาษาไทยเป็นนะยออยากสลาค อ, อไก่อา่านว่ายากหรืออา่านว่ายากอ่ะใครถกเขียนก็แล้วเหรอนนี่แน่อา้าวจับได้ครูไปตรวจการอยากต้องมีออ่างสิยออยากสลาก อ, อไก่มันจะอยากได้ไงมันยากครูน่ะความหมายคนละอยา่าง อ่าใครเป็นญาติลุงปู่บ้างโอ้จะเป็นไล่ญาติได้ไงเล่าเหมือหลายคนหลายผู้ไม่รู้จักกันก็เยอะญาติน่ะลุงปู่อยู่เป็นคนที่มีตระกูลอยู่ที่จังหวัดอุบล น, นี่แหละโดยเฉพาะต้นเหล่าต้นกอจริงๆก็อยู่ที่พิบูลมังสาหารนะคือทวดทวดของอ่ อาตมาเ น, น, นี่ยเป็นเจ้าเมืองพิบูล์นะเป็นเจ้าเมืองพิบูล์เป็นเจ้าเมืองทวดพี่ชายของทวดเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ตัวทวดแท้ๆของอาตมาเน Louis ี่ย <Growing. S 2> เป็นอุปราชของพิบูลมังสาหารนะเป็นคนที่นี่เพราะฉะนั้นตระกูลอยู่ที่นี่เยอะเพระลูกหลานของทวดก็คือเจ้าเมืองอุบล ตั้แต่ตตระ ก, กูลมาเลยตั้งแต่เท้าคำผงมาเลยนะตั้งแต่เท้าคำผงมาเลยแล้วก็เป็นตนตระ ก, กูลมานะเพราะฉะนั้นญาติเยอะนะญาติเยอะไลยนามสกุลนะเพราะนามสกุลมาเกิดทีหลังนามสกุลนี่ไปให้ตั้งเองมั่งพระราชทานมั่งหลายนามส ก, นะกุลนะก็ญาติเยอะไล่ไม่ถูกนะ ให้หลวงปู่ไล่ไลไม่ถูกหรอกใครเป็นญาติบ้างนะหลวงปู่ครับหลวงปู่เคยละลึกชาติได้ไหมครับผมอยากรู้อ่านี่เขียนถูกผมอยากรู้ครับเพราะผมไม่เคยรู้ว่าหลวงปู่ละลึกชาติระลึกนี่ต้องใช้รอเรือละนี่ใช้รอลิงมาหลวงปู่เคยละลึกชาติได้ไหมครับผมอยากรู้เพราะผมไม่เคยว่าหลวงปู่ไม่เคยรู้ว่าหลวงปู่ละลึกชาติได้ครับ สมุนพระรามเหมือนกันนักเรียนสมุนพระรามเนี่ยยังเขียนภาษาไทยยังผิดผิ ด, ผดอยู่บ้างสาธาต่อไปอเขียนให้ถูกอาการระลึกชาติน้าลูกปู่จะอธิบายฟังคำว่าชาติเนี่ยคำว่าชาติแล้วระลึกชาติหมายคาว่าชาติเก่าชาติที่เราเคยเกิดมาแล้วที่นี้การระลึกชาติ ถ้าง่ายๆตื้นๆก็คือเราเกิดมาเป็นร่างกายนี้เป็นคนคนนี้อย่างหลว ป, ปู่เนี่ยเกิดมาเป็นสมณพทิรัตน์ร่างกายนี้ชาตินี้ชาติก่อนจะมาเกิดเป็นสมณพทิรัตหรือมาเป็นตั้งแต่เด็กชายรักรักพงมาเรื่อยจนกระทั่งมาบวชเป็นสมณพทิรัตน์เนี่ยชาตินี้ก็ถือว่าร่างกายนี้ชาติก่อนมาเกิดชาตินี้ก็คือชาติคนก่อนโน้น ไอ้เรื่องตัวตนร่างกายอย่างนั้นนะ่ะหลวงปู่ไม่ไม่ไม่เอาภาระไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยายามตรวจไม่พยายามแล้วก็ไม่พยายามพูดไม่พยายามออกมาพูดอะไรกับใครเป็นการเกิดของสิ่งที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะ มันปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีมีเป็นของจริงเกิดมาไม่รู้กี่ชาติตกี่ชาติตกี่ชาติตกี่ชาติร่างกายนี่แหละใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปเกิด่วนเวียนอยู่เยอ ะ, ะระลึกถึงอย่างนั้นมันก็ระลึกรู้แต่ว่าเราเป็นอันนั น, น, นั้นเท่านั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนเราต้องมาเรียนรู้การระลึกชาติของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิต จิตใจอย่างเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจิตใจของเราไม่ดีเราไปโกรธมาเมื่อกี้นี่โกรธเขามาขัดใจเราตรงนี้เมื่อกี้โกรธให้ระลึกถึงว่าเมื่อกี้นี่ผ่านมาเมื่อกี้แว๊บๆนั่นแหะคือบุพะบุพเพกรณ์เป็นชาติเก่าจิตโกรธมันเกิดระลึกกันนั้นเราก็ระลึกถึงเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยของมันเออเราโกรธ เพราะอะไรคนนั้นเขาว่างี่มันกระทบหูเราเราไม่ชอบใจเราก็เลยโกรธแล้วเราควรโกรธหรือเขาพูดนั้นมาถูกหรือมันผิดดีหรือไม่ดีดีไม่ดีเขาเตือนให้เราดีด้วยซ้ําไปแต่เราก็ไปโกรธเอ๊ะมันไม่ถูกนี่มนไม่ควรนี่ระลึก อ, อย่างนี้แล้วแก้ไขต้องตั้งใจรับสิ่งที่มันจะสัมผัสกับตัวเราแล้วก็มันก็เกิดอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะทางจิต ถ้าระลึกชาติแบบนี้เราจะรู้จักชาติที่เป็นประโยชน์มากาเพราะฉะนั้นเราจะสามารถดับชาติพวกนี้ได้การระลึกชาตินี่ก็คือชาติที่เราจําได้เรียกว่าสันชาติหรือการกําหนดมาจากที่ควรรู้ปัจจุบันหรือดึงเอาความรู้เก่าดึงเอาความรู้เก่าระลึกชาติสันชาติ ชาติสัญชาติโอกกันตินิพพติอภินิพพติการเกิดอย่างชาติ5อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านศึกษาแล้วเราจะสามารถบรรลุนิพพานได้จากการรู้จักชาติอย่างนี้แหละแล้วดับความเป็นชาตินี้ได้การเกิดอย่างชาติก็คือเกิดมาแล้วมันเป็นไปของมันองร์รวมภาษาคมชาติ สัญชาติก็คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็ยังยังฝังอยู่ในของเราติดตัวเรามาเรียกว่าสัญชาติสันชาติสัญชาติยานเรามาเกิดมารู้มาเป็นมาอะไราตามของเก่าติดตัวมาเรียกว่าสัญชาติเพราะฉะไอ้ไอ้สัญชาตินี่มันจะเกิดนั่นคือมันเกิดติดตัวมาสองมันสามารถที่จะกําหนดเรียนรู้ขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเรามา ที่หลวงปู่กำลังอธิบายฟังนี่คือหัดใช้สัญญาหรือสัญญากาหนดรู้ความเป็นชาตินี่คือสัญชาติปัจจุบันเพราะงั้นทำการปฏิบัติธรรมนี่จะต้องมีสัญญาหรือสัญญากาหนดรู้ความเกิดพวกนี้เมื่อกําหนดรู้ความเกิดและปฏิบัติธรรมเป็นสมาธิที่ของพระเจ้าเราจะรู้อกกันติคือท่านแปลเป็นไทยว่าความหยางลงความหยางลงนี่คือ เมื่อมันมีอะไรกระทบสัมผัสแล้วมันก็อย่างลงมาแล้วมันก็เกิดสภาพนั้นเลยเกิดสภาพนั้นอย่างที่เรารู้ไม่ทันแต่ก่อนนี้พอเราศึกษาเราก็จะรู้ทันขึ้นมามันจะปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วเราก็อ่านจิตตัวนี้ของนี้นี้หรือแม้แต่จะรู้ให้มันทันรู้วมันทันก็ดีกว่าไประลึกชาติให้เป็นปัจจุบันเลยดีกว่า แต่มันระลึกไม่ได้ปัจจุบันโอ้ไม่ใช่ไม่ระลึกมันตามไม่ทันปัจจุบันก็ระลึกเอาก็ได้นะเรียกว่าระลึกชาติระลึกความเกิดที่ผ่านมาแล้วก็มามาศึกษาว่าเราทําอะไรไปแล้วเหตุนิทานส ม, มุทัยที่ผ่านไปเรื่องราวที่ผ่านไปเน้นชาติฤจิตของเราเกิดอกุศลจิตแล้วเราก็ควรหรือไม่ควรที่หลังเราจะแก้ไขท่านดีก็เออเราทําดีเนาะนะระลึกทันเรียกว่าทําดี มันเกิดชาติที่ดีแต่ชาติที่ไม่ดีเราลบเลิกมัน ล, ลบกําหนดทำให้มันชาติที่ไม่ดีมันเกิดได้จิตกิเลสมันไม่เกิดทำให้กิเลสมันไม่เกิดได้นั่นเรียกว่าดับชาติที่ดีหรือว่าทำให้ชาติามันลดลงลดลงมันก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกิดสภาวะจับทันในขณะใดที่เรามีสัมผัสไป ป, ป, ปัจจุบันนั้นดีกว่าไประลึกชาติแต่จะระลึกก็ไม่ว่า ก็เอามาย่อยหรือเอามาตรวจสอบเหมือนกันพอเกิดรู้ชาติอย่างนี้แหละแก่งขึ้นแก่งขึ้นทําชาติที่เลวให้ดับไปดับเหตุมันไปเรื่อยๆแล้วอันนึงเกิดอันไหนดับอันนึ่งก็เกิดดับตัวที่เป็นกิเลสที่มันเกิดนั่นได้ดับไปจิตของเราก็เกิดใหม่เป็นนิพพติเป็นการเกิด เกิดนี่แหละเป็นการเกิดทางโอปาติกายโญ น, นิที่พุตเจ้าสอนนิพัติเข้าไปหานิพานเป็นการตายอย่างหนึง่งแล้วก็มีเกิดอย่างหนึง่งทําให้กิเลสตายก็เกิดนิพัติสุดท้ายอภินิพัตติคือการเกิดสุดยอดอภินิพัติเป็นการเกิดที่ทําให้ตายมีส่วนตายมีทํากิเลสดับกิเลสตายจนหมดนิพัติเป็นฐานนิโรธรฐานนิพาน นาเป็นิฐานนิโรธิพานเป็นการเกิดนิพพานเลยเป็นการเกิดที่พิเศษเกิดเฉพาะบุคคลที่ศึกษาสมาธิฐีและปฏิบัติถึงกเรียกง่ัสมบูลน่นี่การเกิดอย่างนี้แหละควรรู้การชาติที่ควรรู้สรุปก็คือการระลึกชาติร่างกายนั้นอย่าไปวุ่นวายมัน ท่านอธิบายไว้ในบุเพนิวาสานุสเสยา น, นาเกิดชื่อนี้โคดนี้ น, นก็เป็นนามธรรมแต่ว่าพูดห ย, ยาบอยาบนก็คือรูปธรรม อ, อาศัยอาหารนันนี้อย่างีี้อะไรต่างๆ อ, อาหารก็มีอาหารทั้งโคลิกลาหารปัสสาอาหารมนรษุษเจตาอาหารวิญญาณอาหารอะไรพวกนี้เป็นต้นค่อยๆนี่ลุกปู่จะอธิบายพวกนี้จะอธิบายชาติอธิบายพบนะ อธิบายชาติอธิบายภพอธิบายอุปทานอธิบายตัณหาอธิบายเวทนาอธิบายผัสสะอธิบายยตนาอธิบายนามรูปอธิบายวิญญาณอธิบายสังขารในปฏิจจสมบาทัี่จะอธิบายไล่จากชาตินี่นำมาตามเนี่ยพัตตพิโลกสิบหกเตรียมไว้แล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้เข้าถึงการอธิบายนี้เลยก็ผ่านไปก่อนเอาแผ่นสุดท้ายจากน้องเมย์นา พยายามคัดมานมัสการหลวงบนนามัสการค่ะนี่ไม่มีไม่เอกนะค่อยๆอัดไปถ้าจะบอกว่านามัสการค่ะต้องคอควายสะอาไม่เอกนะมีไม่เอกค่ะถ้าไม่มีไม่เอกจะต้องอ่านว่าคะนามัสการค่ะหลวงปู่นะถ้าจะบอกว่านามัสการค่ะต้องใส่ไม่เอกนะจําไว้หนูดือ้อผิดศีลข้อไหนค่ะ อา้าวตัวนี้บรรส่ไม่เอกใช่นี่อ่ามันน่าจะเป็นค่ะหนูดื้อผิดศีลข้อไหนค่ะไม่ตกใส่ไม่เอกไม่เอกไปใส่ตัวแรกนมาตรการค่ะหลวงปู่หนูดื้อผิดศีลข้อไหนค่ะไม่ตกใส่ไม่เอกช่วยสอนหนูด้วยค่ะเออตัวหลังนี้มีไม่เอกถูกต้องอ่าอ่าหนูดื้อผิดศีลข้อไหนอ่ามุดื้อนี่ผิดศีลข้อไหนดีเอ่ยอ่า เออศีล<ะ>ข้อไหนนอดื้อเนี่ย น, ะดน ะ, นะะดื้อ น, นี่ศีลข้อธรรมภะนะแปลว่าดื้อด่านดื้อข้อธรรมภะไม่มีในศีลห้าทีเดียวแต่มันรวมอยู่ในศีลต้นศีลที่มันเกิดสภาพของ โ, อโลคโกรธหลงนะการดื้อนี่มันเป็นโรคเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัว คนเอาแต่ใจตัวนี่แหละคือคนที่มีโลภะเอามาให้ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองอจัดเข้ากิเลสอภิชาวิสมะโลภ ะ, ะเข้ากิเลสข้อโลภโลภะเอาตามใจตัวเองฉันจะตื้อย่างนี้ฉันจะทํางี้ใครห้ามจะผิดยังไงฉันก็จะทําเสียหายอะไรฉันก็จะทํา ไม่ดียังไงเจ้ก็จะทําโอ้โหแย่เลยนะแย่นะคนอย่างนี้ดีไม่ดีไม่ดีดดนะเพราะงั้นผิดศีลอย่าทาน ะ, ะดื้อนี่ผิดศีลนะผิดศีลข้อพิจารวิสมภโลภนะเป็นความโลภที่ เ, เอาตามใจตนเองเกินไปนะอะไรอะไรก็จะทําตามใจตนไม่ถูกต้องนะดีไม่ดีมันก็ดื้อมากๆเขา้า ว่าเดี๋ยวก็มันกจกง อ, อย่างน้นอย่างงี้ทำอะไรที่รุนแรงทำอะไรที่ไม่เข้าท่าจะไปกันใหญ่นะอ่ะสำหรับวันนี้อ่ะก็ขอจบรายการนี้ลงแต่เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน